มันก่นนอนิ้โทรไปไม่ไม่ส <c oughs> เดี๋ยวสวดเดี๋ยวสวดมนต์กันเนาะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทะพะธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภควะอรหังสัมมาสัมพุทธิจารานาสัมปันโนสุขะโตโลกวิถุอนุตโรปพริสัมถมาราติสัต เทวมนุสานังพุทธะควะตีสวากาโตภะวัตตะสันเทติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโก จตางเวทิตาโพวิญญุเหติสุปฏิปันโนภคาวโตวากสังโฆอุชุปฏิปันโนภคาวโตสาวกสังโฆ ยายาปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกะสังโฆถ้ามีจิตปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกัสังโฆยาทิทางจัตตาริภูริสยุกนานิอาจเตสะปุ เอสาภาวโตสาวกสังโฆอาหเนโยอาหเนโยทกิเนโยขัจาริการะณิโยอนุตรามโกลยักตังโรกสัตติ ขอโมทนากับพวกเรานะตั้งใจในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของคำว่าอาริยสัจเขาไว้นะตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมที่บอกว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกคาสบูไทย ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขนคิโรธแล้วก็ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขคิโรธคคามินีปฏิบัานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขาริยตสัจจ์เป็นชะไหนแม้ชาติก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์แม้วรณะก็เป็นทุกข์แม้โสกาปรีเดวะทุกขโทมนะส า, าอุปายาตก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พลักพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์เนาะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อ ก, ก็คืออุปาทานกันห้าเป็นทุกข์และท่านก็มาขยายว่าชาติเป็นช่ไหนความเกิดความบังเกิดความอย่างลงเกิดเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะ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 แล้วก็แห้งผากนะภายในของบุคคลผู้ประกอบด้วยความวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งมีการวิบัติเพราะญาติเพราะโรคภัยเป็นต้นผู้ถูกทําคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันนี้เรียกว่าโสกกระปริเทวะเป็นชไหนความคําครวนความร่ําไรลําพันธ์กริยาที่ค่ําครวญกริยาที่ร่ำไรลําพันธ์ภาวะของบุคคลผู้ค่ําครวนภาวะของบุคคลผู้ไร้ระ ร่รไยลําพันธ์ผู้ประกอบไปด้วยความพิบัติหรือวิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งผู้ถูกทําคือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันนี้เรียกว่าปริเทวะทุกข์เป็นฉนัยความลําบากกายความไม่สําราญกายความเสวยอารมณ์มันเป็นทุกข์ไม่สําราญแห่งจิตที่เกิดจากสำราญแห่งกายที่เกิดจากกายยะสัมผัสะที่เป็นทุกข์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่าทุกข์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 ถูกทำคือทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบกระทั่งแล้วอันใดอันนี้เรียกว่าอุปายาตความประจวบกับสัตว์และสังขารไม่เป็นที่รักเป็นชไหนความประสบความพรั่งพร้อมความร่วมความระคนด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผพ้ถลพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าไขไม่น่าพอใจหรือพบเจอบุคคลผู้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกันเป็นต้น ปรารถนาสิ่งที่ไม่เกื้อกูลต่อกันปรารถนาสิ่งที่ไม่ผาสุขต่อกันปรารถนาความไม่เกษมจากโยคะคือการมโยคะเพราะว่าโยคะทิฏฐิโยคะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งมีแก่บุคคล น, นั้นอันนี้เรียกว่าประจบกับสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นชไหนความไม่ประสบความไม่พรั่งพร้อมความไม่ร่วมความไม่ละคนด้ยวยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส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 ความปรารถนาย่อมมันเกิดแก่สัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมด า, าโอ๋หนาขอให้เราไม่มีความแก่เป็นธรรมดาขอความแก่อย่าได้มาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นโทษความปรารถนาย่อมมันเกิดแก่สัตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋นาเนี่ยขอเราพึงมี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 ข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้ตามความปรารถนาอันนี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้แม้สิ่งนั้นความปรารถนาย่อมบังเกิดแก่สัตว์ผู้มีความโศกปริเทวะทุกขโทมนานัสสะและอุปายาตเป็นธรรมดาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอขอเราไม่พึงมีโศกะไม่พึงมีปริเทวะไม่มีความทุกขไม่มีโทมนัสอุปายาตเป็นธรรมดาขอโศกะ ปฏิเทวทุกขโมนะเสาปายาตอยามีแก่เราอย่ามาถึงเราเลยข้อนั้นสัตว์ไม่พึงได้สมความปรนารถนานี้เรียกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกโดยย่อ อ, อุปาทานขันห้าเป็นทุกเป็นชนิดรูปอุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาคือสัญญาสังขารวิญญาณโดยย่ อ, อ เรานี้เรียกว่าอุปาทานอาคารห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจเห็นไหมเนี่ยท่านแสดงลักษณะเนี้ยคือเวลาเราอ่านพุทธพจน์เนพระองค์แสดงในลักษณะเนี้ยนี่แสดงทุกขสัจจ์สัตว์ทงตลอดทุกขสัจจ์แล้วเข้าใจได้เห็นไหมพระองค์ก็จะแสดงลักษณะเนี้ยทีนี้ถ้าไปดูในลักษณะบอกว่า สมุทรยศสัจจะพระบรมศาสดาก็แสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกข์ขาสมุทรไทยอริยสัจเป็นเไหนตันหานี้ใดอย่ายังตันหานั่นแหละก็แปลว่าตันหานี้ใดอันมีความเกิดอีกประกอบด้วยนันทิราค่าความยินดีความเพื่อเพลินนักในรมนั้นๆคือกามตันหาภพะวตันหาวิเราว่ตันหาเราได้เย็นอย่างนี้ก็ทําท่างงเลยใช่ไหมนี่อะไรคือกามตันหาอะไรคือเพราว่ตันหาคือ อะไรวิภาวะตัณหาเนี่ยก็ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดย่อมเกิดหน้าที่ไหนเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งในอยู่หน้าที่ไหนนี่ท่านตั้งเป็นประเด็นคำถามที่ใดล่ะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหานั้นเวลาจะเกิดก็เกิดหน้าที่นั้นนั่นแหละเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในในที่นั้นนั่นแหละอะไรเป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกท่านก็ขยายเลยบอกตาหูจมูกลิ้นกายใจไง เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตั้นหาเมื่อจะเกิดย่ำเกิดณที่นั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณที่นั้นแหละก็มาพิจารณาก็เห็นเนยไหมโอ้ตาเนี่ยเป็นที่รักของสัตว์โลกใช่ไหมหูก็เป็นที่รักจมูกลิ้นกายและกระใจในตะปูนี่แหละที่มันตอกไปตามจุดต่างๆนี่แหละในบ้านหลังนี้เป็นที่รักมากถ้าถ้าตะปูนี้จะต้องถทนถอดออกเนยโว้น่าเสียใจมากอยู่ฮะเสียใจมากเนี่ย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 ถ้าไม่วิจัยเห็นโทษของมันแล้วเนี่ยตัณหาก็กลับมาตั้งอีกตัณหาก็กลับมายินดีอีกเห็นไหมมันไม่ใช่มันไม่พอที่จมาใช้ับว่าการวิจัยเล็กๆน้อยๆเนียนะ่ยมันไม่พอต่อการถ่ายถอนใช่ไหมถ่ายถอนตัณหาจากขู่สัมผัสเนี่ยสวตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายาสัมผัสแล้วก็มโนสัมผัสใช่ไหม ก e? ja ็เ e ป็นท ja e? ja ี ja e e ่ร ja ักเป็นท ja ี de ja de ่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เ e กิดอยู่ท e. e. ี่นั่นแหละจากขูดสัมผัสเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสเป็นที่สุดนั่นแหละวลาจะจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ณที่นั่นเองแล้วก็จากขูสัมผัสชาเวทนาเห็นไหมโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาสามเนี่ยเกิดต่อจากตาหูเนี่ยคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนาและ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 ความจำในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมารมณ์เนี่ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตันหาคืออย่างเหนียวเนี่ยเวลามันจะยึดมันจะติดมันจะยินดีมันจะเพลิดเพลินทั้งหลายมันก็ยินดีในรูปปัจสัญญาสัทธาสัญญ า, ญญาคันทาราสาผลิตภัณฑ์และดรมมสัญญานี่แหละพอเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่สัญญาทั้ง6ประการนี่แหละรูปปัจสัญเจตนาอันนี้หมายถึงตัวเจรนานะ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 ก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกฉะนั้นตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดในะที่ตรงนั้นแหละเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ตรงนั้นฉะนั้นพระองคนี่สอนว่านี่ไงสถานฐานที่เกิดของเขานี่แหละคืออารมณ์มุขปัตนาทั้งนั้นนะที่พูดมาเนี่ยต้องวิจัยต้องทำความรอบรู้รู ป, ปรตัณหาเห็นไหมก็มีความยินดีพอใจในรูปสัทธาตัณหายินดีพอใจในเสียงคันทะตัณหายินดีพอใจในกลิ่น ราซาตัญหาโพธพัฒัญหาดัมมาัญหายินดีพอใจในรสโพธพภฒและธรรมารมณ์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ยเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดก็ย่อมเกิดณที่นั้นแหละมันเกิดซ้ำซ้อนเลยนะเกิดเป็นสภาพที่พอใจมากที่ตนเองมีความเพลิดเพลินในลูกพอใจอย่างยิ่งในขณะที่ตนเองเพลิดเพลินในเสียงมัวเมาในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพัฒและในธรรมารมณ์เนี่ย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 ตาหูจมูกลิ้นกายใจในอารมณ์ทั้งหกในวิญญาณหกใช่ก็ไล่ไปตามลาดับอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนีเมื่อตัณหามันรู้มากขนาดเนี้ยเลือดจากขู่สัมผัสเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสสะเป็นที่สุดจากขู่สัมผัสชาเวทนาเป็นต้นจนถึงมโนสัมผัสชาเวทนาเป็นที่สุดรูปปตัตหาเป็นต้นเป็นถึงธรรมตัณหาเป็นที่สุดนะนะ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 เห็นไหมตรงนี้จากนั้นจะได้เข้าใจคําสอนของพระเจ้าทําไมสอนวิปัสสนาเยอะเห็นไหมอารมณ์ของวิปัสสนาทำไมพระเจ้าสอนเยอะเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ก็มาพิจารณาบอกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็ทุกขานิโรธท่าอริยสัจเป็นเไหนความดับเห็นไหมความสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือความสลัความสล ะ, ะคืนความปล่อยวางความไม่มีอะไรในไหนในตัณหาที่ยินดีเพลิดเพลิน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 มันต้องดับทีนี้ไอการดับเนี่ยดับยังไงดับโดยการสํารอกโดยไม่มีส่วนเหลือก็คือการปริทิพานเขาดับหน้าที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมการนิพานเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสผดพทาพลาและทำมารมเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะละก็ละนเสีย น, นั่ที่เนี้ยเมื่อจะดับก็ดับ น, นั่นที่เนี้ยจากขูญยานโสตวิญญาณคารณวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยมยานมนูญญาณเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกฉะนั้นตัณหาเนี่ยนะเมื่อจะละ ก็ต้องละเสียนหน้าที่นี้เมื่อจะดับประดับหน้าที่นี้จากขูสัมผัสโสตสัมผัสกายนะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสมโนสัมผัสเนี่ยเนี่มันก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกตั้หาวัจระก็ละหน้าที่นี้ถ้าจะดับก็ดับหน้าที่ตรงเนี้ยจากขู่สัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนากายนะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายยะสัมผัสชาเวทนาแล้วก็มโนสัมผัสชาเวทนา เป็นที่รักเป็นที่จเจริญใจในโลกท่านหาเมือ่อจะละก็ละน่ะเสียนะที่ตรงนี้จะดับประดับนะที่ตรงนี้รูปปัจสัญเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธาสัญเจตนาราสาเสตและโพดภะดรมมสัญเจตนารูปปัสสันเจตนาสัทธสัญเจตนาคันธาสัญเจตนาราสาสัญเจตนาโพธภะสัญเจตนาแล้วก็ธรรมะสัญเจตนาเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกหมดเลย รูปปัจหาสัทธตัจหาคันธาปัจหาราสาปัจหาโลถภาปัจหาธรรมตัจหาก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกรูปปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกราสาผลถภาธรรมวิตกก็เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกรูปปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารราสาวิจารผลถภาวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจที่สุดในโลกเมื igious, ่อจะละ ตัณหาก็ละหน้าที่ตรงนี้เมื่อจะดับตัณหาก็ดับหน้าที่ตรงนี้ฉะนั้นก็ดับตรงที่พระนิพพานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เรียกว่าทุกขานิโรธอริยสัจ ท, ที่จริงแค่พุทธพจนะ์เนี่ยก็น่าจะปฏิบัติได้ด้วยตรงใช่ไหมทีนี้พระองค์ก็สอนข้อปฏิบัติเลยบอกเอา้าบอกหนึ่งทุกสองบอกตัวสมุทัยนะสามบอกตัวสภาวะที่ดับทุกคือทุกขานิโรธสี่บอกวิธีปฏิบัติเลย ทุกข а н โรทคามินีปฏิบัติอะรอริยสัจเป็นชไหนเลยบอกอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอชิวสัมมาวิมภาัมมาสติและก็สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นชไหนขยายเลยความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขานิโรธ ความรู้ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเอารู้ในทุกก็คือไปรอบรู้ตัวทุกข์สัตว์ทั้งหมดที่ไล่มาตั้งแต่ชาติทุกข์ชลาทุกข์นะฮะพยาทิทุกข์มราณะทุกข์โสกกบริเดวทุกขทมนะสารเลือบปลายาต์ใช้ใช้ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิไปวิจัยไปรอบรู้สิ่งเหล่านี้ทุกข์สุโมไทยก็เห็นไหมตัณหานิไดย้ยาหยังตัณหาโปโนโปวิกานันดิรากาสกาตาตาตตตราพินันติเนีย เสยยาที่ทางกรรมมาตัญหาเพราะวาตัญหาวิเพราะวาตัญหานั่นเองอะไรเป็นที่ลักเป็นที่เจริญใจในโลกเป็นต้นนั่นแหละอันนี้นคือทุกขสมวทตัทยทุกขานิโรธก็คือว่านั่นแหละตัญหานั่ยแหละดับด้วยการสำรอกโดยไม่มีส่วนเหลือเพื่อจะสำรอกการมาตัญหาเพราะวาตัญหาวิภราะวาตัญหาที่มีความยินดีเพื่อเปิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละมันดับในที่ตรงสภาวะพระนิพพานาฉะนั้นกรณีที่ว่า ทุกขนิโรธักการมีปฏิบัติภาก็คือว่ารู้เข้าปฏิบัติในตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยรู้ทุกเพื่อจะรอบรู้ในทุกเนี่ยรอบรู้ที่ตั้งของทุกด้วยนะใช่ไหมรอบรู้ตัวทุกด้วยเมืเ่อไปรอบรู้ในตัวทุกไปเสร็จแล้วก็รอบรู้ตัวเหตุที่จะทำให้เกิดทุกแล้วก็รอบรู้สภาวะที่ดับทุก แล้วยังไปรอบรู้ปฏิบัทาข้อปฏิบัติทห้นเข้าถึงความนับทุกข์อก็รอบรู้อริยมรรคเลยเนี่ยสมาธิที่ไปรู้เรื่องเหล่านี้ต้องรู้ตัวเองด้วยเนี่ยสมาธิเนี่ยโยม เป็นเป็นทั้งโลกิยาปฏิเวทะและโลกุตระปฏิเวทาจะไปถึงโน้นเลยขั้นโลกิยะก็เป็นโลกิยาเนี่ยเนี่ยเนรฉั้ตรงนี้อรรถกรณีในลักษณะอย่างนี้ที่ท่านบอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอ่ะใช่ไหมที่บอกว่าเจริญสัมมาทิฏฐิอนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคาอนอาศัยนิโรธานอมไปเพื่อการสลัดทิ้ง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 สัมมาวยมามะในภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เกิดฉันทะพยายามปาราบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้อกุติธรรมอลาโมกที่ยังไม่เกิดบังเกิดขึ้นเพื่อละอกุคตธรรมอลาโมกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุติธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ไม่เลือนหายเจริญยิ่งไพบูรณ์มีขึ้นเต็มเปรียมของกุติธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอันนี้เรียกว่าสัมมาวยมามะอสำคัญมากเนาะ สมบัานเนี่ยนะสมบัานนี่สคัญสม ไม่ใช่ใช่โดยโดยจิตคือเวรตีสามถ้าเกิดในชั้นของโลกิยะเขาก็เกิดต่างอารมณ์นันมีอารมณ์ที่ต่างกันออกไปเพราะว่าสมาวาจาศัมมากมตาุตตะสมาวาจาที่เกี่ยวกับการงดเว้นบาปทางกายไปเลยที่เกี่ยวกันในเรื่องของที่เป็นในชั้นของโลกิยะที่เป็นไบกกุศล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 เห็นเวทนาเห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเบียนมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนะในโลกเสด็จได้ตรงนี้จิตในเบื้องต้นก็ทรรอริยสัจสี่บางกลุ่มก็มาสายกายยาบางกลุ่มก็มาสายเวทนาบางกลุ่มก็สายจิตตาแล้วก็บางกลุ่มก็มาและเลิกมาในสายของธรรมานุปัสสนาแต่อริยสัจเนี่ยเขาไปประชมกันในเออสติปัฏฐานเนี่ยเขาไปประชมกันในโลกุตละได้ด้วย ก็มหมายความว่าเขาจะไปบริบูรณ์ในนั้นะจะไปบริบูรณ์จริงๆจะไปบริบูรณ์เพราะในโลกุตระสติปฐานนี่เขาก็นั่นเลยใช่ไหมต้องชื่อว่าเขาไปชมทั้งหมดในนั้นเลยั้ำไปในนั้นเราในกายเวทนาจิตและธรรมนี่เลยซ้ำไนี่ต้องกล่าวอยู่ใช่ใไม่ใช่ว่าโอ้เขาดูเหมือนจะแยกกันเบื้องต้นเนี่ยแต่เขาไปไประชมกันในน้นนะโลกเดชดานะโที่ปักเนี่ย แต่ประธานต้องไปทั้งสี่ไหนั่นแหละเขาไปชมไปชำนาญในสี่นัแหละในโล ก, กุตละนั่นแหละสมาสมาธิก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากการมสงัดจากอากุตโตธรรมเวลามกแล้ะเข้าปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติอยู่แต่วิเวกอยู่ทูติยฌานนะมีความผ่องใสในภายในมีธรรมะอีกผุดขึ้นในต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ตาทิยฌานแล้วก็จตุทัฌานเนาะ ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ละสุขและทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสเป็นต้นได้ดับมิเวขาเป็นเหตุให้สติบริบูรณ์อยู่นี่เรียกว่าสัมมาสมาธิดูกรพริกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าทุกขานิโรธคารมีนิปริเปตาริยสัตว์เนี่ยลักษณะนี้เป็นพุทธพจน์เป็นพุทธพจน์ ท, ที่เป็นนํามาดําเนินความให้เราท่านทั้งหลายได้ได้ทําความเข้าใจ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 เที่ยงแท้ไม่แปลเป็นอย่างอื่นโดยแท้จริงแล้วก็เป็นความเป็นทุกข์ของจักรุเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไม่เป็นอย่างอื่นชั้นใดความบีบคั้นของบุคคลผู้มีทุกข์ด้วยทุกข์สามอย่างนะคือทุกขกทุกข์วิปริณามาทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์เนี่ยเราท่านทั้งหลายก็เจอสิ่งต่างๆเลนี่เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทุกขกทุกก็คือทุกข์อย่างแท้จริงนะทั้งกายและใจก็เป็นทุกข์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 ไว้ล่วงหน้าก่อนเพื่อให้เกิดอุตุชรูปเพื่อให้เกิดจิตชรูปแล้วก็อาหารชรูปนี่นะแม้จักสุ ร, รูปประพ ม, มก็เกิดขึ้นแก่ผู้เสวยทุกซึ่งปรุงแต่งด้วยกรรมมันยิ่งใหญ่คือการเจริญชันในพบก่อนก่อนมิได้เกิดขึ้นโดยประการอื่นส่วนจักสุของเราสัตว์ในการมาภูมิแม้เกิดจากสังขารทุกคือกรรมในพบก่อนก่อนก็เกิดแก่ผู้เสวยสังขารทุก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 ตัวจักขูก็ต้องวิบัติดังนั้นสังขารทุกข์ผู้ยินดีในจักษุและปรุงแต่งกรรมปัจจัยมีอาหารเป็นต้นเหล่าเนี้นะหรือบำรุงรักษาจักษุจึงไม่หมดสิ้นไปในสังสารวัตรเขาถึงบอกว่าแค่จะกรรมที่จะปรุงแต่งตากรรมที่จะปรุงแต่งตาเพื่อจะทําให้ตาอุบัติเกิดขึ้นเนะี่ยที่เราสั่งสมกรรมต่างๆเหล่านี้มานะมากมายนะ หาเบื้องต้นแล้วที่สุดไม่ไม่พบส่วนอื่นไม่ต้องพูดถึงเอาตามาเป็นจุดแล้วไหมกรณีที่ตาหูจมูกลินกายใจเนี่ยไอตัวกรรมที่มันเป็นสหายของของตันหานี่แหละเวลาบรรยินดีต่างๆเหล่านี้มันก็ปุงแต่งมาถ้าจะคิดในอดีตเนี่ยหาเบื้องต้นไม่พบหรือจะรับผลของการที่จะได้ตาเนี่ยคิดไปข้างหน้าก็ไม่มีที่สุด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 จกักประสา萨ดีบ้างมีมีแสงสว่างมีลมบารมมาประกฏเฉพาะหน้ามีมนสิการผลประกอก็คือเป็นเหตุทําให้จกักขคูทวาริกาอาตีมหันดาลมวิถีเกิดได้อี น, นี้อารมณ์นี้แรงมากเนาะเป็นอารมณ์ที่คุ้นข้างรุนแรงมากชัดเจนมากและตรงใจตั้งใจเลยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยนะจกักรคูวิญญาณรูปอารมณ์ก็เกิดจกักรคูวิญญาณก็เกิดใช่ไหมสัมปติชนะสันติรณโวทะนะในส่วนจริงโชวนะก็เกิดก็ยินดีแล้ว แล้วโชวนาไม่รู้กี่ล้านล้านวิถีเนาะในขนาดหนึ่งหนึ่งที่เราทํากรรมฉะนั้นเจตนากรรมนั้นน่ยทุกทุกโชวนะทั้งเจ็ดโชวนามีเจตนากรรมเรียกว่ากรรมต่างกันหมดเลยทีนี้โดยเฉพาะลงสู่ทางวนโนทวารลวิถีเป็นกรรมที่ค่อนข้างหนักซะหัสซกันมากเลยความยินดีในการที่เรายินดีเพื่อเพื่องในรูปารมณ์หรือในรูปในวันณะในสีในสิ่งที่สวยๆงามๆที่สัตว์เพื่อเพื่องยินดีอันนี้เอาที่สัตว์เพื่อเพื่องยินดีนะ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 ทำอารมณ์ก็มีการปรุงแต่งอย่างรุนแรงเกิดขึ้นในขนาดนั้นนะ่ะปริมาณบางครั้งที่เราเสพอารมณ์ต่างๆกินอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะ่ะบางท่านเนี่ยอยู่เป็นวันเป็นคืนเลยนะขุกอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นมองอารมณ์เหล่านั้นสัมผัสยินดีและเพลิดเพลินอารมณ์เหล่านั้นไม่ว่างเว้นบางทีก็ลือหลบไปกินอาหารแป๊บเดียวกลับมาดูต่อเนี่ยนะกลับมายินดีมาเพลิดเพลินต่ออย่างนี้เป็นต้น ก็ ล, ลองคิดดูปริมาณของตัณหาที่บวกกับเจตนาเนี่ยที่มีกรรมเป็นสหายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาทั้งทิฏฐธรรมเวทนยกรรมทั้งอุปชาวเวทนิยกรรมทั้งอัปปราพระเวทนิยกรรมชาวนะทุกตัวมีความเข้มข้นหมดเลยแต่ละชาวนาแต่ชาวนะนี่มีความเข้มข้นมีความแข็งแรงพร้อมด้วยเจตนาเบ็ดเสร็จสามการเลยก่อนทําก็เจตนาบริบูรณ์ขณะทําเจตนาก็บริบูรณ์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 กรรมต่างๆไอเจตนากรรมต่างๆเหล่านี้ปรุงแต่งทุกข์สัตว์ทั้งนั้นเลยนะเอาทีมันเกี่ยวข้องกับตาใช่ไหมเกี่ยวข้องกับตาหรือเกี่ยวข้องกับเสียงหรือเกี่ยวข้องกับตาหรือกับหูกับจมูกกับลิ้นกับกายหรือกับใจกรรมเหล่านี้สร้างอะไรสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กรรมเหล่านี้ที่เกิดร่วมกับกัรหาเป็นผู้สร้างขึ้นเป็นผู้ที่ เหตุปัจจัยที่เป็นตัวกระทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลก็ชัดเลยใช่ไนหะแล้วมันเป็นอกุศลกรรมด้วยเนี๋ยวนี้แล้วกรรมเหล่าเนี้ยเราท่านทั้งหลายเอาแค่ระลึกได้เนะี่ยหลับตามองแล้วก็หวาดเสียวแค่อดีตที่ผ่านมาที่เราเคยทํากรรมประเภทเหล่าเนี้ยนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับทุจริตทางโลกที่เขาพูดกันเลยนะเอาสุจริตอย่างที่ทางโลกเขาพูดกันเลยเพียงแต่เรายินดีเพลิดเพลินแค่นี้เองทีนี้กรณีอย่างเนี้ย เราก็จะเห็นว่าโอ้โหเ น, นี่ยนะแล้วปริมาณกรรมขนาดนี้ปริมาณวิบากที่จะต้องได้อย่างชนิดที่นับกันไม่วาดไม่ห ว, หวเลยไม่ไหวเลยเนี่ยฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมาไขควรมาพิจารณาแล้วเพียงพอหรือยังที่จะต้องเบื่อหน่ายในกรรมเหล่านี้เพียงพอหรือยังที่จะตั้งอัธยาศัยเพื่อไม่ให้ใจน้อมไปทำกรรมอย่างนี้อีกเพราะถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังไม่ตั้งโยนิโสมนสิกานนะ ไม่ประชุมอริยมรรคเพราะโยนิโสมนัสิการนี่เป็นปัจจัยของมรรคแปดใช่ไหมถ้าโยนิโสมนัสิการคือความเป็นผู้ที่มีอการคิดโดยแยบคายโดยอุบายแยบคายเนี่ยไม่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าอริยมรรคไม่เกิดมิจฉามกรรคก็เกิดต่อแล้วในสถียจริงก็จะล่องลอยเดิมนั่นแหละก็จะน้อมกลับไปมันรุนแรงมากนะขนาดอยู่ในเพศของท้านเนี่ยยังไม่เว้นเลยใช่ไหม มันไม่เก่งใจว่านี้เป็นธงชัยของพระผู้มีภาคเจ้าทรงประทานไว้มาคุมไวนะ้เนอะโกรธสีส่าอย่างเงี้ยพระเจ้าทรงประทานไว้นี่คือนักบวชอย่างนี้เป็นต้นนี้มีบาทในการเดินบิณฑบาตเป็นต้นมีการฉันอาหารที่เขาให้เขาถวายด้วยความเคารพเป็นต้นเลยเนี่ยเนะี่ยให้ความรู้สึกเก่งอกเก่งใจในการที่พระบรมศาสดาวางหลัก บัญญัติก็ไว้ว่านี้สาวกของตถาคตเนะเธออย่ามายุ่งเนียมันไม่สนใจหรอกไอ้ตันหามันก็เข้ามาปิดห่อมร้อมหมดแหละนี่แหละคือตันหานี้ใดนะถ้าพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นว่าเวลากรรมที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเวลาที่เกิดจากการปรุงแต่งที่เขาเรียกว่าเป็นจักษุมีสภาพจริงๆมันวิบัติเนาะเขาถึงบอกว่ากรรมนั้นมีปัจจัยนะกรรำ กรรมปัจจัยมีอาหารเป็นต้นและมีการบำรุงรักษาเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นเนะาะจักษุมีสภาพทวิบัติเสมอในการใดาการหนึ่งเมื่อมีปัจจัยบกพร่องหรือมีอันตรายมาปรากฏนะวิปริณามทุกข์จึงหมายถึงทุกในการแสวงหาปัจจัยก่อนล่วงหน้าด้วยความกลัวว่าจากักษุจะวิบัติทุกในการจัดการรักษาคุ้มครองดูแล ทุกมีความเศร้าโศกคร่ำครวญลำพันเป็นต้นเหตุเพราะเห็นเหตุแห่งความวิบัติหรือในขณะที่จักขูวิบัติอยู่หรือวิบัติแล้วโดยประการทั้งปวงต่างๆจากสุขทั้งหมดนั้นก็มีความบีบคั้นบุคคลด้วยวิปรินามทุกข์อันไม่มีขอบเขตเสมอทั้งหมดนี้เป็นวิปรินามทุกข์ของจักขูนั้นเห็นไหมก็เป็นความทุกข์นี่เราไม่เห็น สัตว์โลกไม่เห็นความวิบัติความแปรปวนไปของจักรสุใช่ไหมก็ไปทํากรรมเพื่อจะให้ได้จักรสุก็ไปได้ความแปรปวนได้ความวิบัติก็คือไม่รู้จักสังขารทุกข์ไม่รู้จักวิปริณามทุกข์ไม่รู้จักทุกขทุกเมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักสังขารทุกข์ทุกข์ที่ปรุงแต่งกรรมนั้นๆไว้ก่อนล่วงหน้าที่ให้เกิดรูปนามเกิดอุตุเกิดอาหาร กเป็นต้นเลยนะเกิดรูปที่เกิดจากกรรมจิรโดตัวหาเป็นต้นแม้จากสุขของรูปปพรมก็เกิดขึ้นแก่ผู้เสวยทุกข์ซึ่งปรุงแต่งกรรมอันมีความยิ่งใหญ่ในการเจริญชานเป็นต้นเหล่าเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยระธมบอกว่าเรามาพิจารณาโดยเว่าจากสุขของรูปปพรมเนี่ยมันมีชานเป็นเกลื่อนหนุนด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะมีชานเกลื่อนหนุนด้วยก็ยังพังได้ยังแตกสลายด้วยมันเป็นสังขาระทุก มันเป็นทุกข์ของสังขารมันมีการแปลปวนเป็นธรรมดามีความถูกบีบคั้นเพราะความเกิดและความดับอยู่ตลอดเวลานั่นแหละฉะนั้นเราจะไปปรารถนาจากักรสุอะไรถ้าขนาดจักสุของรูปภพมแล้วมันยังวิบัติขนาดนั้นส่วนอื่นไม่ต้องพูดถึงใช่ใช่จิตตบพจิตต ใช่ได้่เราะเป็นตัวปงแต่งใช่ใช่ใช่ใช่ใช่่ คือคือตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในกรณีที่บอกว่ า, วาทุกข์กระทุกเนี่ยถามบอกว่าในขณะที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นใหญ่ๆมาแล้วแล้วต่อมาเนี่ยเราก็พยายามได้ขันห้ามาแล้วเนี่ยก็เกิดความพยายามที่ว่าทุกข์กระทุกเนี่ยย่อมสําเร็จได้ทุกทั้งสองอย่างคือทุกข์กระทุกเนี่ยก็สําเร็จด้วยสังขาราทุก์และสําเร็จได้วิปริณามาทุกนั่นแหละ ก็หมายความว่าเมื่อบุคคลกระทากรรมปรุงแต่งมีการทําไร่ไทนานะมีการประกอบอาชีพการงานต่างๆมีการเลี้ยงคนต่างๆทําบริษัทนั่งร้านต่างๆเหล่านี้นะทําอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือพวขาประาชาชนเนี่ยบุคคลที่กระทำกรรมก็มีการปรุงแต่งในการประกอบอาชีพการงานต่างๆนั้นนะ่ะ ก็จัดการรักษาคุ้มครองดูแลทุกข์ทุกข์ที่เป็นความลําบากกายและความลําบากใจก็เกิดขึ้นกับเขาในขณะนั้นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่สัตว์โลกก็ไม่เห็นทุกข์ทุกข์อันนี้จักษุย่อมบีบคั้นบุคคลผู้มีจักษุด้วยทุกสามประการคือด้วยสังขารทุกเวทวิปริณามทุกด้วยทุกข์คือทุกข์ทุกสังขารทุกวิปริณามะทุกก็บีบคั้นเช่นนั้นนะ ของจักสุนั้นเป็นความจริงไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นจักสุจึงชื่อว่าทุกจักสุที่เป็นไปในกา ร, รมาภูมิที่เป็นไปในรูปภูมิเป็นต้นเหลเนี้เนะียแต่ท่านก็ให้เป็นไปในภูมิสามนะั่นแหละเป็นไปในภูมิสามนะั่นแหละจัดว่าเป็นไปในภูมิสามเลยว่างเพราะอะไรเพราะยังไม่พ้นจากการมีตา ไปที่ในภูมิสามมาการมาภูมิรูปภูมิแม้ในรูปภูมิเดียวก็กลับมามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็ถึงมีอรูปภูมิก็คือมีใจมีใจนั่นแหละมันเป็นทุกข์ในสัจจะที่พระองค์ทรงสอนตรงเนี้ยต้องการเชีย่ยวเห็นว่าว่าความจริงเนี่ยนะความจริงของสังขารเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้พิทาพิจารณา แล้วก็จะเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงที่พระบรมศา ส, สดาทรงแสดงไว้ในเรื่องของความทุกข์ทีนี้ความทุกข์ที่บอกว่าที่ท่านใช้คําว่าทุกขาริยาสัตว์เนี่ยสัจจะคือทุกข์เนี่ยความจริงคือทุกข์เนี่ยก็หมายความว่าทุกขะสัจจะของธรรมที่เกิดในภูมิสามมีจักษุประสาทเป็นต้นเนีมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเนี่ย ที่ก็มีสภาพสีประการที่เราศึกษาเมื่อวานที่ว่าอัดไปหน่อยสภาพที่บอกว่ามีสภาวะที่บีบคั้นอย่างหนึ่งปรุงแต่งอย่างหนึ่งเร่าร้อนอย่างหนึ่งแล้วก็แปรปลวนอย่างหนึ่งความถูกปรุงแต่งและความแปรปลวนนั้นที่เป็นสังขารทุกข์และวิปริณามทุกข์ที่ได้กล่าวสักครู่นั้นนั่นแหละคือการปรุงแต่งและการแปรปลวนของจักษุเป็นต้น ส่วนสังคตะคือถูกปัจจัยประชุมปรุงแต่งก็หมายความว่าไม่เกิดขึ้นเป็นไปตามปรัชจากทุกที่ปุงแต่งปัจจัยมีการเป็นต้นซึ่งมาก่อนวิปริณามะา ก, ก็คือความแ ป, ปลปรวนเสียสภาพคือความเสื่อมและก็ความดับสลายท่านถึงใช้คําว่าปีรณนธะมีสภาพบีบคั้นไงปีรณะคือสิ่งที่ถูกบีบคั้นสิ่งบีบคั้นความบีบคั้มคั้นอัดโถก็คือสภาพนี่นแหละสภาพที่บีบคั้น สภาพที่มีความบีบคั้นสภาพที่มีมีสภาพที่บีบคั้นสิ่งที่ถูกบีบคั้นก็ดีสิ่งบีบคั้นความบีบคั้นเป็นต้นเหล่านี้ในข้อนั้นก็บอกว่าบุตรผู้เกิดในคันของหญิงเข็นใจนางหนึ่งเป็นผู้ถูกโรคต่างๆเนะี่ยเบียดเบียนอย่างมากมายบีบคั้นอยู่เสมอ ย่อมบีบคั้นมารดาด้วยทุกบะรุงรักษาเสมอการที่บุตรเช่นนั้นเกิดในคันของหล่อนเนี่ยเหมือนดังทาหน้าที่มาบีบคั้นหล่อนชั้นใดทรรมทั้งหลายคือจักษุ ก, ก็ดีหูก็ดีนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกชลาคือความแก่บรณะคือความตายนั้นบีบคั้นอยู่เสมอ ย่อมบีบคั้นบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยจักษุด้วยทุกข์ด้วยการบํารุงรักษาด้วยการที่จักษุเป็นต้นเกิดในกระแสจิตของเขาก็ย่อมทําหน้าที่บีบคั้นพุทธพจน์ที่บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเกิดตั้งอยู่ความปรากฏของจักษุมีอยู่นี้คือความเกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความตั้งอยู่แห่งโรคความปรากฏแห่งชราอรรมรณะดูก่อนภิกษุตทั้งหลายนี้คือความเกิดขึ้น แห่งทุกข์นี่คือความตั้งอยู่แห่งทุกข์นะความปรากฏของโศตากาณาชิวหาแล้วก็การปรากฏของใจเนี่ยก็เรียกว่าการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การปรากฏของทุกข์นะแล้วก็การตั้งอยู่การปรากฏของโรคหัวฝีลูกศรก็ว่าไปเถิดนั่นคือทุกข์ที่อีกอย่างหนึ่งคําสอนว่าจากสุก็เร่าร้อนนะจากสุก็เร่าร้อนร้อนด้วยอะไรร้อนเพราะไฟคือราคา่า ไฟคือโทสาไฟโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโศกาปริเดวทุกขโทมรณะส า, าและอุปายาตเห็น ไ, ไหมมีความเร้าร้อนด้วยมรณะด้วยความโศกความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเนี่ยใช่ไหมตาก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนริ้นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อน อาทีปนาในร่าวร้อนสันตาปนารุ่มร้อนแล้วก็ปริไทยนกหรือร้อนล้นมีความร้อนเป็นปกติจักูุเป็นของร้อนโสตเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนชิวหาเป็นของร้อนกายยะก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะโทสะโมหะ ร้อนพ่อชาติชรามราณะโสกาบริเดวทุกขโทมนาสและก็อุปายาตถามว่าอริยมรรคนี่นะย่ำบีบคั้นบุคคลยิ่งด้วยทุกขหรือการบำเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างชา้านานนะและทุกที่เจริญภาวนามีความหมดจดแห่งศีลเป็นต้นในชาติสุดท้ายทั้งมีสภาพแปรปวนเกิดดับเสมอดังนั้นอริยมรรคนั้นนะ่ยควรนับเข้าในทุกขสัจจะคือความบีบคั้นได้หรือไม่บอกไม่ใช่ อริยมรรคไม่นับเพราะอาริยมรรคเนี่ยนำออกจากนำนำความสงบแห่งทุกข์เนี่ทั้งมวลเนี่ยมาให้อริยมรรคเนี่ยเขานำใช่ไหมอริยมรรคเนี่ยลองมาพิจารณาดูทาเป็นมรรคเบื้องต่าๆหล่านี้เหมือน ก, ก็เป็นทุกข์ด้วยจริงไหมแต่นั่นแหละเขากำลังดำเนินไปสู่การที่จะออกเข้าสู่ความสงบเพื่อจะดับเพื่อจะดับความเราร้อนเหล่านั้น ดับความร้อนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยใช่ไหมก็าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนใช่ไหมจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนเพราะมีไฟเผารนอยู่ใช่ไหมเอาเดียมักที่เป็นไปในเบื้องต้นนะ่ยมันมีไฟเผาอยู่เหมือนกันนะแต่มันจะเดินออกอยากใช่ใชนั่นแหละตรงนี้ก็คือ กรณีที่อริยมรรคนั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวแก่บุคคลผู้สวยทุกในการปรุงแต่งตามที่ได้กล่าวไว้แล้วย่อมเกิดขึ้นกําจัดกิเลสคือราคาโทสาโมหะแล้วก็ดับด้วยทุกทั้งมวลในสังสารวัฏได้ไม่ทุกที่ไม่มีเบื้องต้นและเบื้องปล า, ายปรากฏเห็นไหมในสุดจริงๆอริยมรรคนั่นแหละเป็นปฏิบาัาเป็นข้อปฏิบัติโรคิยธรรมเมื่อเกิดขึ้นดําเนินอยู่อย่างต่อเนื่องก็บีบคั้นบุคคลยิ่งด้วยสังขารทุกข์ดังที่ได้กล่าวเนาะ ย่อมเกิดขึ้นดำเนินไปย่อมเกิดให้เกิดทุกขคือความ เ, เร่าร้อนอย่างมากมายดับลงด้วยการประกอบบุคคลไว้นะในเครื่องจักรคือทุก์ในสังสารวัตคล้ายกับกงจักรนั่นแหละที่ไม่มีที่สุดโลกยธธรรมยังเป็นทุกข์เพราะมีสภาพบีบคั้นโดยแท้ตรงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของทุกทุกมมหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ตามชั้นของดีกาบ้างหรือชั้นของอัตถาบ้าง เธอต้องการให้เราทั้งหลายได้เห็นว่าทุกเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆอะมันเป็นภัยใหญ่หลวงใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นมหันตภัยไหมเป็นมหันตภยัยฉะนั้นที่เราเห็นเนกันอยู่ทั้งหมดในทุกทั้งนั้นใช่ไหมนั่นนี่ทุกแต่ประเด็นว่าไม่เคยกระเทือนถึงใจว่านี้ทุกสักทีเลยใช่ไหมเคยเข้าใจไหม ว่ า, าเวลานเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทีไรเราก็มีความสําคัญหมายทุกครั้งวันนี้ทุกยังไงแล้วก็รู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ด้วยว่าเหตุที่ทําให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกําลังดําเนินไปอยู่เนี่ยคือนี้ทุกขสมุทยัยนี่เข้าใจอย่างนี้นะแม้ถ้าทั้งทุกแล้วก็ทั้งทุกขสมุทัยเนี่ยปรากฏชัดในใจนะนะั่นแปลว่าเราน้อมหา ทุกข์ขนิโรดนะเนี่ยปฏิบัติในการวิจัยเป็นไปตามลําดับนั้นนี่คือทุกข์นิโรธะาวินีปฏิบัตินะเนี่ยถ้ามันเข้าใจอย่างนี้อย่างชาัดเจนเนี่ยตัณหาก็ไม่ได้ช่องมันก็เป็นไปเพื่อจะละเป็นไปเพื่อจะปล่อยเพื่อจะวางจริงๆใช่ไหมเออชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ไหมถ้าเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกเล่นกายใจทีไรก็นี้ทุกข์ถ้าเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและดัมมาลมขนาดไหนก็นี้ทุกข์เลยไหม เกี่ยวข้องกับจักรกุญญญาณโสตวิญญาณชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณแล้วก็มโนวิญญาณก็ก็นี้ทุกเห็นไ่มเข้าใจอ่ะจากกูสัมผัสโสตสัมผัสคานั้สัมผัสชิวหาสัมผัสกายยะสัมผัสก็มันี่ทุกมโนสัมผัสกันนี้ทุกจากกูสัมผัสสชาเวทนาไปต้นเหล่านี้ก็นี้ทุกเลยไหมเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างท่องแท้มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องคือว่าโดยภาพที่การฟังอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วต่อไปเป็นงานวิจัยเป็นงานรอบรู้เลยเป็นการ เป็นการวิจัยเป็นการทำปริญญาในการที่จ ะ, ร, ะรอบรู้ในการที่จะกำหนดรู้คือเหมือนเอามมองไปนปุ๊บเนี่ยนะก็เข้าใจทันทีอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเนี่ยตาหูจมูกเลี้ยกายใจที่มาประชุมกันอยู่รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประชุมกันที่สมมุติเรียกว่าก็เข้าใจทุกครั้งเลยวันนี้ทุกเป็นที่ตั้งของอะไรชาติทุกชร า, าทุกขพญาทีทุกข์มรณะทุกโสกกาบริเดวทุกกระทรมนัสสาุปายาต และสภาวะเหล่านี้เร่าร้อนมากเร่าร้อนเพราะไฟคือราคาโทสะโมหะเร่าร้อนเพราะไฟคือชาติชราพยาธิมวัลนะโสกกาบริเดวะทุกตมณัสสและอุปายาตถ้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างต่อเนื่องอย่างยาวนานแล้วก็มีการวิจัยแบบไม่หยุดไม่ย่อนอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้แสดงว่าทุกนั้นน่ะปรากฏในกระแสใจของสัตว์นั้นได้ชัดเจนมากแล้วก็น้อมว่าแล้ว ตัณหานี้ใดใช่ไหมอย่ายังตัณหาเนี่ยตัณหานี้ใดอะบอกตัณหาเหล่านั้นน่ะมันมันมีความรักมีความเจริญใจมีความมีดีเพลิดเพลินในที่ใดอะอะไรละเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจในโลกอะบอกอ๋อตาหูจมูกเล่นกายใจใไหมรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมอารมณ์ตัณหาเวลาจะเกิดก็เกิดหน้าที่ตรงเนี้ยเวลาจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ห น, น้าที่นี้ฉะนั้นการวิจัยตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสียงกินรสสัมผัสและธรรมอารมณ์จากกุญญมิต้นเหล่านี้ การมาวิจัยการมารอบรู้การมากําเนิดรู้ในสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการเข้าใจเหมือนการเผาที่ตั้งของตัณหาจนตัณหาไม่มีที่อิงอาศัยะใจก็จะน้อมไปในนิโรธทุกขนิโรธคือการดับทุกข์อย่างถาวรและดับตัณหาอย่างถาวรและและปฏิปทาในการที่วิจัยอยู่นั้นะอันนั้นคือการประชุมเพื่อจะเดิน ปฏิบัติธรรมมรคให้เกิดขึ้นใช่ไหมมรค ก, ก็ปฏิบัติให้เกิดขึ้นแล้วถ้าหากเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ยแปลว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเริ่มมีช่องทางในการวิจัยอริยสัจในชีวิตจริงแล้วนะอวิจัยแล้วในกรณีอย่างนี้ถามว่าชื่อว่าการปฏิบัติดำเนินอยู่ไหมถ้าวิจัยได้ขนาดเนี้ยนั่นแหละการปฏิบัติ ด, ดำเนินอยู่แล้วก็มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง แล้วถ้ารอบรู้อยู่อย่างเนี้ยจะอยู่ในยาบทยืนเดินนั่งนอนคูยเหยียดก็เงยไมมันก็จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างท่งแท้จริงๆว่าพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาที่เสวงทรงตัดสรุวอริยสัจธรรมทั้งสีประการเนี่ยเป็นธรรมะที่ประเสริฐจริงๆอ่ะทำให้เราเปิดโมหะออกจากใจได้แม้ยังไม่สามารถจะละได้อย่างถาวรเบื้องต้นเมื่อเราเปิดได้ลักษณะเนี้ย ถ้าเปิดม่านตาได้อย่างนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยเริ่มจะเห็นช่องทางเห็นแนวทางของข้อปฏิบัติในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อเข้าใจอริยสัจเสียไปศึกษาในสูตรไหนในเรื่องใดอะที่จะประชุมลงอริยสัจไม่ได้ถ้าประชุมลงในอริยสัจได้แล้วเนี่ยแปลว่าท่านทั้งหลายเริ่มขยายพระธรรมคาสอนในใจของท่านได้สว่างเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วฉะนั้นในกรณีในลักษณะอย่างเนี้ คำสอนที่พระเจ้าตรัสเขาไว้นะีบอกว่าความทุกข์ต่างๆที่ทรงตัดไว้นะที่พูดถึงเมื่อวานนี้ที่บอกว่าความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของคาว่าทุกขะทุกทุกที่ทนได้ยากคือทุกขเวทนาทางกายทางใจเป็นทุกขโดยสภาวะชื่วกายิ่งทุกขเวทนาเจตสิกทุกขเวทนาย่อย่างหนึ่ง วิปริณามะทุก์หมายถึงทุกแปรปรวนคือสุขเวทนาเป็นเหตุให้เกิดทุกที่แปรปรวนคือกายิกสุขเวทนาเจตสิกสุ ข, สขเวทนาต่างๆเหล่านี้นะที่ทุกสุขทางกายเนี่ยสังขาระทุก์ก็คือทุกของสังขารคือเวขาเวทนาและสังขารที่เหลือที่เป็นไปในภูมิ3คือในการปรภูมิรูปประภูมิอารมปภูมิถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับอะไรระบีบคั้น ก็คือสภาพของจิตเจตสิกรูปนั่นเองมันเกิดหน้าที่ไหนมันก็บีบคั้นตัวมันเองแล้วก็มีความเกิดความดับอยูต่ตลอดเวลาใช่ไหมถ้าเวทนาขันดับสัญญาขันที่เกิดพร้อมก็ถูกบีบคั้นให้ดับด้วยสังขารก็ถูกบีบคั้นให้ถือให้ดับด้วยวิญญาณก็ถูกบีบคั้นให้การให้ดับเป็นต้นด้วยถ้ารูปขันดับเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นก็ถูกบีบคั้นให้ดับเป็นต้นด้วยเนี่ยมันก็บีบคั้นมันก็กินกันอยู่อย่างไงนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นความ ถูกบีบคั้นด้วยความเกิดและความดับเนี่ยนะเขาเรียกว่าเว้นจากทุกข์ทุขวิปรินามทุก์เสียนั่นเป็นสังขาระทุกข์ปฏิชันนะทุกข์ทุกข์ที่ถูกปกปิดโรคกายต่างๆโรคปวดหูปวดฟันโรคทางใจมีความเร่าร้อนเพราะราคะโทสะโมหะต้องถามจึงรู้เพราะปรากฏเพราะการกระทาไม่ปรากฏอฏิชันนะทุกข์ทุกข์ที่ไม่ถูกปกปิดความเจ็บป่วยมีการทรมาน ด้วยกรรมกร32เป็นต้นเป็นสมุฐานเพราะไม่ต้องถูกถามก็รู้เพราะการกระทักถูกความทุกเหล่านั้นปรากฏนะนะปริยายะก็คือทุกโดยอ้อมคือทุกที่เหลือทั้งหมดมีการเกิดเป็นต้นน่ยนอกจากทุกข์กระทุก์ซึ่งมาในสัจจะวิพังนิปริยยทุกข์ก็คือทุกขโดยตรงนะก็คือทุกข์กระทุกข์ในเรื่องความทุกข์นั้นเน่ยเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์คือความเกิดในอบยภูมิเป็นต้นเพราะบรมศาสดาก็แสดงไว้ในสูตรเยอะแยะ ไม่ว่าจะในพารับปณิเตสูต ร, รก็ดีในเทวทูตสูรก็เต็นต้นก็กล่าวไว้ในพระสูตรต่างๆที่พระบรมศาสดาแสดงไว้ในความทุกข์ในคันความทุกข์ที่เกิดในสุขติภูมิเป็นต้นท่านสาะ่าถ้าสัตว์ไม่เกิดในนรกก็ไม่พึงประสบความทุกข์มีการเผาในนรกที่ทรมานไม่พึงมีหน้าที่ในไหนเป็นต้นพระมนีตรัสว่าความเกิดจึงเป็นทุกข์นะ ความทุกข์ของสัตว์เดรัจฉานมีมากดังที่ได้กล่าวเมื่อวานนี้ว่าการถูกกระหน่ำด้วยแทะด้วยปะตักและท่อนไม้เป็นต้นสัตว์เหล่านั้นมีทุกข์ได้อย่างไรถ้าไม่มีความเกิดฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสบอกว่าความเกิดนั้นเป็นความทุกข์ของสัตว์เหล่านั้นทุกที่เกิดจากความหิวกระหายในภพของเปรตนะนะที่อยู่ในสถานะที่มีลมแรงแล้วก็แดดกล้าเป็นต้นย่อมไม่มีแก่สัตว์อื่นพระมนีจึงตรัสว่าความเกิดนั้นน่ะเป็นทุกข์ ทุกข์ของอสุรกายที่เกิดในโรการตนรกนรกที่เย็นจัดก็ไม่มีแก่พวกเขาถ้าไม่มีความเกิดเพราะฉะนั้นความเกิดจึงเป็นทุกข์เด็กที่เกิดในครันมารดาที่เหมือนกับครูฐานนรกนะเหมือนตกนรกอุจรนะน่ะที่อยู่ในครันมารดาเป็นเวลานานก่อนที่จะคลอดออกมาย่อมประสบทุกข์ที่รุนแรงมากทุกข์นั้นทั้งก็ไม่มีนะถ้าไม่มีการเกิดฉะนั้นพระบรมศาสาดาจังตรัสว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์และท่านก็นเลยมาสาธยายบอกว่า พารนามากมายไม่มีประโยชน์มากทุกในโลกนี้มีหลายสถานจะไม่มีเวลาการในไหนถ้ามีมีความเกิดไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการเกิดว่าเป็นทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งปวงจึงตัดในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของชารานะพูดถึงชาราก็เป็นทุกข์ชาราที่มีลักษณะเป็นปัจจัยประชุมปุงแต่งชาราแห่งขันนับเนื่องในพบในสันตติบัญญัติที่ชาวโลกสมมุติว่า ว่าเป็นความแก่เป็นความชราเนียฟันหักหนังเหี่ยวย่นเป็นต้นเหล่านี้ยชรานั้นชื่อว่าทุกข์เพราะเป็นสังขารทุกข์เป็นบ่อกเกิดของทุกข์เนื่องจากชราเป็นเหตุหนึ่งความทุกข์กายแล้วก็ความทุกข์ใจมีเหตุมากมายเช่นองค์คาพยพทั้งหลายกล่าวคืออินทรีย์เป็นต้นก็แกงงอมดังที่ได้กล่าวรูปร่าง ก, งก็ไม่งดงามเสื่อมไวยก็ย่อหย่อนความเพียรสติปัญญาก็ถดถอยถูกข่มเหงต่างๆเหล่านี้ดังเป็นต้น มวลมนุษย์ประสบความทุกข์ทางกายท้งใจเพราะการที่องค์คารยบกล่าวคืออินทรีย์ทั้งหลายนั้นมีความข่ึมข้าเป็นธรรมดานีแล้วในที่สุดจริงๆดังที่ได้กล่าวแล้วก็ถูกบุตรธิดาเป็นต้นเนี่ยดูหมิ่นเหยียดยามว่าเป็นคนโง่เขายิ่งความทุกข์ทั้งหมดนั้นน่ยมีชะลานี่แหละเป็นเหตุพระบรมศา ส, สดาจึงตรัสว่าชรานั้นเป็นทุกข์พยาทีทุกข์โขความเจ็บปวดเป็นทุกข์เนี่ยนะ ตรงนี้อยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะความเป็นไข้ต่างๆดังที่ได้กล่าวเนะี่ยเป็นความทุกข์มากดังที่บอกว่าเหมือนมาอา้มาม้าม้าชันในที่เกิดในท้องของแม่ลาเป็นต้นนะก็กระทืบท้องแม่ลาแตกออกมาเนั่นยแหละลักษณะอย่างนั้นนะ่ยนะความป่วยก็เกิดขึ้นแล้วก็มีความตายปรากฏเกิดขึ้นนะทีนี้ความตายมีลักษณะปรุงแต่งปัจจัยพระดํารัสที่บอกว่าชารามรานังทวีหิเป็นต้นอันเนี้ยชารากับมรณะได้ขั้นสองนะ ความตายที่เป็นการขาดศูญย์แห่งความดับชีวิตตินสีที่นับเนื่องในภพนิจจังมรณะโตพยังภัยจากความตายเป็นของเที่ยงพระพุทธเจ้าตรัสความตายที่บอกว่าชาติปัจจยะมรณะตายเพราะมีความตายอันมีชาติอะไรเป็นปัจจัยชาติปัจจยมรณะนี่นะอุปัค ก, กมามมรณะความตายเพราะมีความเพียรการกาหนดอายุก็ยังไม่สิน้นกรรมก็ยังไม่สิน้น แต่ถึงแก่ความตายโดยอาศัยความพยายามของตนบ้างด้วยความพยายามของบุคคลอื่นบ้างบางคนนี่ก็พยายามในการที่จะทําให้ตนเองตายแย่ๆเบีเสดนะนะก็เห็นเยอะหมดพยายามโดยรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ความพยายามตนเองเป็นเหตุถึงความตายบางครั้งก็เป็นความพยายามของบุคคลอื่นเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการที่เราจะพิจารณามรณะนะนะีหรือการตายอุปปักกรรมมรณะในความตายเพราะความเพียรเนี่ย เพราะความเพียรของตนเองและความเพียรของบุคคลอื่นเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้เป็นความเพียรที่จะทําให้ตนเองตายกับคนความเพียรที่จะทำให้คนอื่นตายเนี่ยเราจะเห็นทุกระดับเลยเป็นความเพียรที่น่าสยดสยองใจเลยถ้ามาพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นเลยนะว่าความเพียรต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมาแล้วสัตว์เหล่านั้นก็พากันทํากรรมกรรมต่างๆเหล่านั้นที่สัตว์เหล่านั้นทํานั้นเป็นกรรมหนักด้วยเป็นปาณาติบาศกันทั้งนั้นอย่างนี้ ถามว่าสัตว์เหล่านั้นทํากรรมเหล่านั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะโมหะมันปิดไหมโมหะปิดสัตว์ทั้งหลายก็ถาปกติอ่ะสัตว์ทั้งหลายมีใจในการที่จะน้อมธรรมปานาติบาตอยู่แล้วเยอะไหมน้อมทำปานาติบาตเบียดเบียนกันอยู่แล้วเนี่ยเพราะอัตยาใัยทุกวันเนี่ยเขาไม่ค่อยเข้าใจส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเนี่ยว่าทํากรรมเหล่าเนี้ยตัวเขาเองจะเดือดร้อน บางคิดว่าบางท่านคิดว่าถ้าทํากรรมถูกกฎหมายไม่เป็นไรใช่ไหมมันน่ากลัวกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องป้องกันนรกเลยที่ไหนหลกใช่ไหมป้องกันไม่ได้หรอกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็ทำกำํากรรมน่าสยดสยองมากใช่ไหมเอาไปแต่งตัวดีๆนี่แหละใช่ไหมแต่ฆ่ากันได้อ่ะเออฆ่ากันได้ โดยอาศัยความพยายามของตนและบุคคลอื่นเป็นอุปเยอุปเชษ ท, ท, ะทะกักกรมรมนะสาระสระมรณะความตายที่ประกอบด้วยกิจคือความตายที่กำหนดอายุและกรรมอายุขยะมรณะความตายเพราะหมดอายุปุญยขยะมรณะตายเพราะหมดบุญความตายนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์บรารณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ในกัมพีวิสุธิมร์ว่าความทุกข์ใจทั่วไปที่เกิดแก่ชน คนชั่วซึ่งกำลังจะตายเหย น, นิมิตมีบาปรกรรมที่ตนเคยทำไว้เป็นต้นหรือแม้เป็นคนดีแต่ไม่อาจจะพลัดพากจากสิ่งที่รักได้ความทุกข์กายมีการแทงการตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นการเบียดเบียนการทรมานกันต่างๆเหล่านี้ย่อมเกิดแก่สรรพสัตว์ที่รักตัวกลัวตายความตายนี่เป็นเหตุของความทุกข์ไม่มีใครต้านทานหรือช่วยเหลือได้พระบรมศา ส, สดายังตรัสว่าความตายเนะี่ยเป็นทุกข์ ทีนี้พระดํารัสว่าโสกาบริเดวะทุกขโทมนะสาอุปาญาปีทุกขาเนี่ยความโศกความร่ําไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกปรากฏในคาอธิบายที่ท่านบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่าเนี้เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเมื่อประสบแล้วเนี่ยที่ขยายเมื่อสักครู่ เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเมื่อประสบแล้วก็เจอความทุกข์นะเมื่อเจอความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ยความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เมื่อมีความเกิดแก่มีความเจ็บใช่ไหมโสการปรีเดวะทุกขโทมนั้นมีความโศกความล่ําไรลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็ตามมาแล้วนี่คือคือลักษณะของทุกข์ท่านขากข้าาบอกว่าเป็นอีกประการหนึ่งเมื่อประสบกับบุคคลและสิ่งของ การประสบเนี่ยนะที่ท่านใช้คําบอกว่าความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ได้รวมโรคไว้ในความทุกข์กายแล้วนะทั้งคําว่าพยาปีทุกโขแม้โรคก็เป็นทุกข์เนี่ยท่านตัดไว้เนี่ยในคำพี ข, ของชั้นอัฏฐาดีกาคําว่าสวพิธรรมนี่ยท่านไม่ปรากฏพยาที่ทุโขแต่คําอธิบายว่าโสกกาลปริเตวะทุกขโทมนะส า, าท่านถึงใช้คําบอกว่าสัมปโยอปีเยหีสัมปโยคาทุก การพบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบเป็นทุกข์การพบกับสิ่งที่ไม่ชอบเป็นการประสบกับบุคคลและสิ่งของที่ไม่พึงพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุแห่งทุกข์ท่านก็เลยกล่าวว่าเมื่อประสบกับบุคคลสิ่งของที่ไม่ชอบจะเกิดความทุกข์ใจก่อนเป็นงั้นไหมเราประสบกับอารมณ์และสิ่งของที่ไม่ชอบเนี่ยมันทุกข์ใจก่อนใช่ไมไม่ได้ทุกข์กายก่อนน แล้วต่อมาก็จึงเกิดความทุกข์กายต่อม า, อาทำไมายังทุกข์กายด้วยกายก็พลอยก็พลอยโหดหูไปด้วยใช่ไหมอ่าบางทีอ่ะถ้าเราไม่ชอบใครเราไปไปทุศร้ายเขาไหมก็ไปประทุศร้ายเขาอีกถ้ามันทุกข์กายตามมาทีหลังนะเพราะความไม่ชอบเนี่ยยัมเป็นเหตุเป็นปัจจัย การประสบกับสิ่งของที่ตนไม่ชอบเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งสองประเภทนั้นคือทุกข์กายทุกข์ใจส่วนปีแยหีวิปโยโคทุกโขเนี่ยการพลรัดพากจากอารมณ์ที่ชอบเป็นทุกข์เนี่ยนะก็หมายความว่าพลัดพากจากของรักเป็นการพลรัดพากจากบุคคลสิ่งของอะไเป็นที่รักการพลัดพากนั้นเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุของความโศกท่านก็บอกว่าคนเขาย่อมถูกความโศก ดุดลูกศรเสียดแทงเพราะพัดภาคจากญาติอโอ้โหท่านใช้คําท่านใช้คําว่าหนักเนีคนโง่คนโง่งย่อมถูกความโศกที่เป็นเหมือนลูกศรแทงเพราะพัดภาคจากญาติและทรัพย์สมบัติญาติพยาสนะโศกแล้วโภคาพยาสนะเสื่อมโภคาก็โศกอีกแล โรคข้าพยาสนะโรคภัยไข้เจ็บกำเริบกมดซื้อไหมเศร้าโศกอีกแล้วศีละพยาสนะโศกไหมเนี่ยอย่างเราสีขาดไปเลยสีมิบัติไปเลยทิฏฐิพยาสนะทิฏฐิวิบัติเนี่ยโศกไหมโศกยังไงไม่ดีหรือฮะสัมมาทิฏฐิเนะี่ยมันวิบัติไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิวิบัตินะ อสัมมาทิฏฐิวิบัติโศกไหมถ้าสัมมาทิฏฐิวิบัติเนี่โศกเลยเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็เกิดไปทํากรรมไม่เหมาะไม่สมมาเนี่ยโอโศกตายเลยตอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไปทํากรรมชั่วโศกเลยหรือกลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วออกจากมิจฉามิจฉาทิฏฐิไม่ได้โศกไหม ยิงโศกใหญ่เลยอามีนะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากจะฆ่าคนนึงแต่ไมไปอยู่เหตุการณ์ออกก็ออกไม่ได้มันต อ, น, น, องงนเนี้ยน่าทายังไงเลยบางคนเอาที่แสนจะโศกนะนี่นนะออกก็ออกไม่ได้แล้วมันเข้าไปล็อกเดดตัวเองไว้อย่างนั้นนะ่ะใช่ไหมมันล็อกตายตรงนั้นแล้วเอาที่ออกไม่ได้จะออกก็ตายจะออกก็โอ้โหตนเองจะวิบัตแิแหละ อาจจะลุยไปข้างหน้าก็จะตายคนก็จะตายเยอะแล้วทําทไงเนะนี่ยออกก็ออกไม่ได้เนะี่ยทุกมากนี่ทุกมากอาชื่อว่ามีไหมช่วงนี้มีคนเป็นแบบนี้ไห ม, มนี่นั่นแหละ ไ, ไ, ไม่ทําก็ไม่ได้เพราะตนเองก็ขึ้นไปบนบนหลังนั่นแล้วนั่นแล้ว้องก็หลงไม่ได้เนี่ยหองก็หองไม่ได้ศักดิ์ศรี แเลยแต่เนี่ยเนี่ยลงไม่ได้นี่เขากำลังทุกข์นะเนี่ยทุกข์มากไหมมากไม่ใช่ธรรมดาเลยทุกข์อย่างมากๆเลยนอนกะวนก็วายหลับไม่ได้อ่ะหลับก็ตาค้างเนี่ยภาพบากฏเนี่ยมันดูภาพแต่ละทีเนี่ยโดนปันโดนแยิงโดนแทงโดนเลยนี่ทำยังไงตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอาสิเนี่ยเจ ก็ร้องไห้แอบร้องไห้คนเดียวปะ่ะแต่อันนี้นี่แค่เจ็บปวดนิดๆ น, นะไปพบหน้าจะาสสหัสขนาดนะ mm hmm. เกิดมากระโดนตัดโดนตอนไปที่เนี่ยโดนยิงบงังโดนข้าบางัง ม, มีวิสาเหตุแล้วสาเหตุไรสาระอะไรทั้งนี้เนะี่ยพระธรรมราสบอกว่ายำปิดฉังระปติที่บอกเออพัดภาคจากญาติทรัพย์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 ปาฏิหาริย์แบบนี้ปาฏปรารถนาสิ่งที่มันออกไม่ได้เป็นทุกข์ไงเป็นทุกข์เนี่ยตอนนี้เป็นทุกข์กันไหมเนี่ยขอให้เราอย่าได้มีความเกิดเลยแต่ไม่ได้เจริญมรรคอะไรในทุกข์อยู่นั่นแหละใช่ไขอให้เราอย่ากแก่เลยแล้วก็ไม่ได้เจริญสมัมมามรรคอะไรนะเจริญวิชามรรคไหแต่ขอทุกข์ไหทุกข์เลยเนี่ย ขอให้เราอย่าได้มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาอย่าได้มีความตายเป็นธรรมดาแต่นั่งเฉยๆทกไม่ได้ไม่มีข้อปฏิบัติออกอะแต่ได้แต่นั่งอ่อนวอนอยู่างเงี้ยทกทกอยู่นั่นแหละตอนนี้ได้ข้อปฏิบัติที่ยังน็อกเตอรแล้วดาได้แล้วนะแล้วมั่นใจไหมเดินถูกทางเนี่ยอืม สัพสัตในโลกนี้ผู้ปรารถนาสิ่งนั้นๆย่อมเกิดทุกข์ใจเพราะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาการปรารถนาที่เป็นไปไม่ได้เป็นเหตุแห่งทุกข์พระชินาจา้าจึงตรัสว่าการไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาเป็นทุกข์สังกิเตนะปัญจุ ป, ปาดานะขันนาทุกขาโดยสังเขออปปาทานะขันห้าพึงทราบว่าเป็นทุกข์ทุกข์มันมีความเกิดเป็นต้นกับเบียดเบียนอุปาทานขันโดยประการาต่างๆเหมือนกับไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงนะอาวุธเบียดเบียนเป้า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 ความคับแค้นใจทั้งหลายเบียดเบียนรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนอะไรเหมือนไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงเหมือนอาวุธเบียนเบียนเป้าอาวุธเนี่ยปืนนี่ก็ยิงเออาไปเบียดเบียนเป้าไหมยิงเข้ายิงหัวยิงหัวคนเนี่ยเบียดเบียนเลยไหมก็เบียดเบียนเป้านั่นเองไปยิงอะไรอาวุธนั่นก็เบียดเบียนนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนการชาติคือความเกิดเนี่ย ก็เกิดมาเพื่อเบียดเบียนรูปะขันเวทนาสัญญาสังขารยุยามชราคือความแก่เนี่ยเกิดมาก็ไหมเขามาเพื่ออะไรเกิดขึ้นเพื่อมาเบียดเบียนก็เบียดเบียนเพื่อเบียดเบียนลูกปรทานขันเนี่ยพญาทีก็เบียดเบียนขันห้าความตายก็เบียดเบียนขันห้าความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจมันเบียดเบียนขันห้าเหมือน เหมือนอะไรเหลือบและยุงเป็นต้นเบียดเบียนโคเบียดเบียนกระบือชาวนาเกี่ยวข้าวก็เบียดเบียนไล่นาไบโจนป้นสะดมก็เบียดเบียนชาวบ้านชาติเป็นต้นก็เลยเบียดเบียนอุปาทานกันห้าประดุจหญ้าและเถาวัลย์เป็นต้นเบียดเบียนพื้นแผ่นดินดอกไม้ผลไม้ยอดอ่อนเกิดบนต้นไม้นะนะชาติเป็นทุกแรกสุดของอุปาทานกันห้า ชราก็เป็นทุกข์ในถามกลางความตายก็เป็นทุกข์ในสุดท้ายการไม่สมปรารถนาก็เป็นความทุกข์ใจของผู้ที่ผิดหวังเมื่อใครครวญโดยประการต่างๆอย่างนี้ก็ทราบว่าอุปาทานขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์ไม่มีใครแสดงจำนวนทุกอุปาทานขันที่ละเอียดได้หมดสิน้นแม้จะเป็นเวลานานตลอดหลายโกรธกับเพราะเหตุนั้นพระบรมศ า, าสดายังตรัสว่า สังคิเตนะปัญกิปาทานะขันธาทุกขาเพื่อจะรวบรวมมรทุกทั้งหมดเข้าไว้ในอุปาทานกันห้าเหมือนการแสดงรสของน้ำในมหาสมุทด้วยน้ำเพียงหยดเดียวนะท่านจึงบอกว่าเนี่ยธรรมาพิษยังเนี้ยจะเห็นจะวิจัยทุกข์ได้ชัดใช่หมหนึ่งเห็นได้ด้วยข้ออุปมาเปรียบเทียบถ้าไม่อุปมาเปรียบเทียบเราจะไม่เห็นดอกว่า อะไรเบียดเบียนใช่ไหมไฟเบียดเบียนเชื้อเฟอแล้วว่าอะไรอาวุธนี่อาวุธก็เบียดเบียนเป้าเลือบและยุงเป็นต้นเบียดเบียนโคกระบือใช่ไหมชาวนาที่เกี่ยวข้าวก็เบียดเบียนนาและไล่นะเจียนก็โจนที่กระปลนก็เบียดเบียนชาวบ้านแล้วอะไรอีกอะไรชาติคือการเกิดเบียดเบียนอุปาทานกันห ชลาคือความแก่เบียดเบียนไหมพยาธิคือความเก็บไข้เบียดเบียนกันห้าไหมมรณะโศกตาปริเดวทุกขทมนะเสาุปายาตก็ไปวิจัยดูที่สิ่งต่างๆนี้ก็เบียดเบียนรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันกับไฟเบียดเบียนเชื้อเพลิงฉะนั้นเป็นต้นก็ข้อเบียดเบียนต่างๆนี้มาเปรียบเทียบโอ้ขันห้าเนี่ยถูกชาติเบียดเบียนแล้วถูกชราพยาธิมรณะเป็นต้นเบียดเบียนแล้วถูกความโศกเป็นต้น เบียดเบียนแล้วนี่ยังไงวิปัสนาอริยสัจวิจัยไปที่วันหนึ่งไปนั่งวิจัยไปเวลาร้อยรอบพันรอบเป็นหมื่นหมืนรอบถ้ามันไม่เห็นทุกข์กลับมานั่งคุยที่วิจัยยังไงวิจัยยังไงไม่ไปนั่งวิจัยหรือเปล่าวิจัยไม่ถึงชั่วโมงก็หืมแต่อยากจะออกจอากบเชั่วโมงเดียวก็โหเกินพอแล้ว มองไม่ถึงห้านาทีก็สะดุ้งสะเทือนแล้วอ๋อเป็นงื่นเลยใช่ใช่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 แค่เวลานนเเราวิจัยแล้วเกิดซาดใจนี่ใช้เวลาน้นนานเลยเลยาเป็นยงไเลยจได้ก่อนชาติทุกชราทุกยาทีทุกมรณะทุกโสกกบริเวทุกกระทบนั่นจะยา คิดข้อหาชีวิตจริงด้วย แล้ว ก็ก็ก็ตรงนี้ก็ต้องต้องเพียนอีกเยอะเนาะ ก็เมื่อาวานอายมาก็คุยกับพระว่าทำไมพระองค์จึงบอกว่าสี่ห้ากุศลกรรมบทสิบใช่ั้ยเป็นคุณธรรมในการที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นต้นได้ถ้าสีลห้ากุศลกรรมบทไม่บริบูรณ์อาตภาพแค่มนุษย์ก็เอาไม่อยู่อายมาก็เลยเน้นให้พระท่านถาฟังบอกว่าคารวาด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 ทำให้ฐานของกายกายเ อ, อ่ยทางวาจาเลยเสียศูญย์หมดเลยทําให้เป็นไปกับสุจริตอย่างแท้จริงเพราะว่ากายกรรมวจีกรรมนั้นมีมโนกรรมนั่นแหละเป็นตัวคอยโอยคอยประคับประคองเป็นเพื่อหนุนหรือเป็นปัจจัยกระชีนั้นดูว่าที่จริงบางทีถ้าหนึงใช้คําว่ารักษาใจอย่างเดียวเนี่ยไหมใช้คําว่าทํามโนสุจริตให้โกิดขึ้นได้จะทํำยังไงใช่ไหม ก็เหมือนเป็นพระเนี่ยแล้วท่านบอกว่าท่านมาบอกถ้าท่านยุ่งยากมากเรื่องศีลเนี่ยท่านรักษามาโนสุจริตให้ได้เห็มเห็นไหมเห็นไนไรักษามาโนสุจริตให้ได้แล้วท่านจะปลอดภัยศีลที่เยอะแยะไปเสร็จจะเกลือจะไปชมลงในมนโนสุจริตเนะี่ยไปชมลงในมนโนสุจริตไปชมลงในสมาทิฏฐีนั่นแหละพ<น>ระเจ้านั่นแหละนั่นแหละ การทำความเห็นให้ตร ง, ตรงใช่ไหการทำความเห็นให้ตรงให้เป็นกรรมสกตาสมา ธ, ธิต้องรู้เรื่องกรรมเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเมชัดนะกรรมทุกระดับเนะี่ยกรรมที่จะนำลงสู่ไบยภูมิกรรมที่จะนำลงสู่สุขติภูมิกรรมที่จะทำให้พ้นจากภูมิทั้งหลายด้วย นันตรงนี้ท่านยังกล่าวในคําสอนต่างๆที่พูดถึงในเรื่องของคําว่าในเรื่องของทุกเนี่ยท่านพูดถึงคําว่าทุกขะสมูทัยใช่ไหมอันที่สองอริยสัจจ่าข้อที่สองเนี่ยทุกขะสมูทัยคือสภาพทําให้เกิดทุกเสมอทุกขะสมูทัยคือสภาพที่ทําให้ทุกจเจริญเสมอเนี่ยเหตุเกิดแห่งทุก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 หมดแล้วกรรมที่กัตัญหาบอกเราหมดกําลังแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อใช่ไหมเดี๋ยวเราต่อให้อีกต่อเดี๋ยวเราจะจัดการเองเราจะจัดการเองมันก็มัดไว้เหอะทุกภพทุกชาติมันก็ไปมัดไว้เอาที่ดรแลดาเนี่ยมันให้มาแล้วให้ตาหูจบูกเล่นกายใจมาแล้วยอมเนี่ยให้มาแล้วยอมการก็ได้มาพระท่านก็ได้มาท่านแค่ก็ได้มายอมที่นั่งนั่งก็ได้มาอะไรมาก็ได้มาแต่บ่าเอ้ามันมัดติดไว้ด้วย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 ชีวิตการบวชแสนอึดอัดศสียก็เยอะเดี๋ยวคุณผิดศียเนี่ยคุณตกนรกนะใช่ไหมออกมาที่สบายตรงเนี้พระสมิตทธายังโดนเลยขนาดเคร่งครัดเลยนะแต่ท่านไม่ได้โดนภายในนะท่านโดนภายนอกไอ้โดนภายในหมายถึงไอ้ตัวตันหามันก็ซิบบอกกระซิบแล้วก็ซิบบอกมันให้ข้อมูลให้ใหญ่โมหะกขาปิดเออจริงเจอเออจริงเนี่ยนะคืนอยู่ในเพศเนี้ลําบากเกินใช่ไหมออกไปรู้สึกจะโลง่ลงโล่งสมัยก่อนอาจารย์คิดนะ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 ท่านจะมายินดีเพ้อเพลินทำไมท่านยังหนุ่มแน่นใช่ไหมเออท่านอย่าไปยินดีเลยไหนะท่านอย่าไปทํากรรมที่ไปอย่างที่ว่าเลยจะไปนิพพานเนี่ยทํากรรมไปเกิดเป็นเทวดาดีกว่าอุย้ยในเทวดาใช่ไหมมีความมั่นคงอะ่ะมีความงดงามมีความสดสวยเนี่ยเพราะั้นเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือภายนอกเล่นเนาะนี่ภายนอกเล่น นี่ยาอรรมางไงธรรมาก็อยู่อุดมเพทแต่จะลงไปหินเพศอท์ธรรมาเองไม่ไม่ใช่ถ้าอย่างนี้เป็นจุดดีถ้าอย่างธรรมาเนี่ยอยู่อุดมเพท์ใช่ไหมต้องการจะลดศีลไงโอ้ศีลเยอะจัดลักษาไม่ไหวมาองอย่างเงีย้ยต้องการจะลดไงบอกโอไม่ไหวแล้วอยู่อย่างเงี้ยศีลเยอะแยะเหลือเกินเนี่ยที่แรกพอศึกษาไปปฏิบัติไปสักระยะนึง่งองไม่ไหวเนี่ย วางแผนไว้เลยไงบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราแก่เท mm. ่าลงเนี yeah, ่ยเราจะลำบากหูตาฝ้าฟางใช่ไหมเราจะออกในช่วงนั้นน่ะวางแผนจะรักษาสิ้นแปดให้บริสุทธิ์นี่มันคิดต่ำไม่คิดสูงเพราะอาการคิดออกบมเพ็ญเนคขม่าเป็นประเสริฐใช่ไหมแต่มาเนี่ยอยู่ในเพศทิ้นบมเพ็ญได้อยู่ดีอยู่แล้วจะไปลดเนี่ ก็เรียกใยต่ำมาตอนนั้นรียกใยต่ำเราจะไปสูงนรือใต่ำทั้นนี้นี่ยเขาแกรกวน ล, ลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าตัวตันหานั่นเองอริยศรรยาสตร์จากข้อที่สองเป็นเหตุให้เกิดทุกมีการประจบกับเหตุปัจจัยต่างๆตึงได้ชื่อว่าทุกขสมุทัยเหตุแห่งทุกเนี่ยพอเป็นเหตุให้เกิดทุกเมื่อมีเหตุปัจจัยนี่นะยายัางตันหานี่แหละตันหานี้ใดอ่ะ โอโนภวิกาก่อให้เกิดพบใหม่ปูนัภาวะเนี่ยการก่อให้เกิดพบใหม่ก็คือตันหามีปกติก่อให้เกิดพบใหม่นันทิราขสากตาก็คือประกอบด้วยความยินดีความพอใจความหมายก็คือว่าประกอบด้วยความยินดีความพอใจเพราะดำเนินไปไม่ไม่สละความยินดีพอใจในระยะการทั้งหมดเนื่องจากมีความยินดีและความพอใจอยู่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 ในตัณหาหประการนี้พระองค์ก็แบ่งเป็นสามใช่ไหมแบ่งเป็นกามมตัญหาบาวตัญหาแล้วก็วิภาวะตัญหาเลยกรมตัญหารูปตัญหาที่ยินดีพอใจในรูปา ร, รมณ์ที่ปรากฏทางจากกักรุทวานด้วยด้ลนํานาความยินดีในกามยินดีในรูปเพลิดเพลินในรูปนี่นแหละสรุปก็คือนั่นแหละในตางหุ่นยหมวกดินกายใจที่เป็นไปในกามกรมบุณกามคุญ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 รูปปตัญหาที่เป็นต้นเ่านี้ที่เกิดร่วมกับสัตสตถิฏฐิดําเนินไปว่าอารมณ์ที่พบนั้นเที่ยงยั่งยืนราคาที่ประกอบกับสัตตตถิฏฐินั่นแหละความเห็นว่าเที่ยงนั่นแหละเรียกภาวะปัญหาวิภวะปัญหามีรูปปตัญหาเป็นต้นที่เกิดร่วมกับอุเฉธทิฏฐินี่เห็นว่าขาดศูนย์ดําเนินอารมณ์ที่พบเนียขาดศูนย์พินาศเพราะราคาที่ประกอบกับอุเฉธทิฏฐินี่แหละสัทธตัญหา คันธาตันหาระสะตันหาโพธพัะตันหาธรรมะตันหาให้อธิบายเป็นแนวเดียวกันนี้แนวเดียวกันก็กรรมะตันหาก็ให้ให้ไปในมุมนึงเพราะว่าตันหาก็เป็นไปร่วมกับสัตสตาวิภพภะตันหาก็เป็นไปร่วมกับอุเชทาคำว่าร่วมในที่นั้นจะต้องเข้าใจได้เนี่ยเพราะว่าองค์ธรรมของภาวะตันหาวิภภาวะตันหาคือโลภะนี่ยคือโลภะ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 ถาว่าถ้าความเห็นว่าเที่ยงมันเป็นสัตสตาทิฏฐิใช่ไหมแต่ถ้าความเห็นว่าขาสศูนย์เนี่ยมันเป็นอุเฉธาอุเฉท่ า, าที่ต้องเป็นสามียู่ต้องสามอยุคือมันอย่างนี้ ภาวะตัณหาวิภวะตัณหานี่เป็นไปกับทิฏฐิสัมบยญุตเทวภวะราคะวิภวะราคะอันนี้เป็นทิฏฐิวิวิเพิ่มเยอะต้งแยกไงหนูนเหตุใดพระองค์จึงตรัส ต, ตัณหาในเริยสสีเป็นทุกขสมุทยัทยเพราะเป็นเหตุพิเศษตัณหานี่ยนฮะปกปิดโทษไงพบไง แล้วก็เป็นการกตัณหาเนี่ยครับเวทประยุท์เนีอ๋อตรงนี้คือเป็นอย่างนี้ ยาวนะเดี๋ยวเอาไว้เอาไวตา้ตอนบ่ายตอนบ่ายอธิบายแล้วเราจะมาวิเคราะห์ตรงนี้เอาแป๊บเดียวหมดเวลากระสอบนะแล้วก็เอาลง เออขึ้นถ้ามันร้องไป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 và lề lề về nội song chỗ mình ขอเข้าอีกทีเขาก็ทำได้ช้าเลยแม่เขาถ่ายแม่เขาแปลตรงนี้ก็ตัดถักกระางทุกขสมุทยอริยสัจจญายาตัิหาเป็นต้นเนี่ยนะ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 ผูกล่ามสัตว์ไว้ให้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรหรือในวัต่สงสารก็เวียนตายเวียนเกิดเอากำเนิดในภพน้อยและภพใหญ่สเสวยทุกขเวทนาด้วยกองทุกขต่างๆนะฉะนั้นกรณีแห่งกองทุกต่างๆที่สัตว์ทั้งหลายได้รับเนี่ยก็คือชาติชาราพยาธิเนี่ยนะติดตามเบียดเบียนบีทาห้ามหันจนถึงมรณะก็คอยดักคอยตัด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 ก็ต้องท่องเที่ยวเวียนไหวาตายเกิดก็ถือกำเนิดในภพน้อยภพใหญ่อย่างหาที่สุดไม่ได้ท่านใช้คำว่าไม่รู้จักสิ้นสุดด้วยรัชชุคือตันหาตันหาก็เหมือนกับเชือกนั่นเป็นเชือกที่คอยล่ามสัตว์เข้าไว้ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปจากวัตสงสารแล้วท่านก็มาแยกขยายพูดถึงนเรื่องของตันหาก็พูดถึงเรื่องว่า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 บุคคลทั้งหลายบำเพ็ญทานรักษากองการกุศลต่างๆก็ปรารถน า, า, าในการที่จะได้มนุษย์สมบัติและกวัตริย์สมบัติในหกชั้นเนี่ยตรงเนี้ยตถาคตก็ตรัสเรียกบอกว่าทุกขสมุทยายไทยอริยสั์เหตุว่าพระริยเจ้าทั้งปวงท่านเห็นแท้ท่านเห็นสัจจะข้อนี้ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นส่วนภวะตัณหาเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของโลกิยอโลภะที่เป็นไปใน โลกยิยะน่แหละ ท, ที่เกิดร่วมกันกับสัตตาทิทิก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยบังเกิดในรูปภพอรูปภพตรงนี้นะก็มีความแก่ชราวรณะไม่มีเออกขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความชรากับพยาธิต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏเนี่ยกขาถือว่ามั่นคงแล้วพอได้เจริญฌานสมาบัติอันนี้คือภาวะ เพราะว่าตัณหาเนี่ยมีโลภะจิตที่มีความเข้าใจในลักษณะนี้นก็เปรปรารถนาในการที่จะไปเกิดในรูปภพก็เลยเชื่อเพราะว่าตัณหานี่เป็นทุกขสมุทัยสัจจประกอบหนึ่งส่วนวิภาวะเนี่ยเป็นสภาพของโลภะที่เป็นไปกับอุเฉธาทิฐิอันนี้ยินดีในฌานสมาบัติเป็นต้นเหมือนกันนะนะสคัญบอกว่าถ้าแม้ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ได้แล้ว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 ให้ได้กองทุกมีชาติที่ทุกเป็นต้นในพรหมโลกทั้งสองชั้นทั้งสองภูมินะทั้งรูปภูมิและรูปภูมิเนี่ยเหตุดังนั้นแหละอัดแห่งทุกขสมุทัยท่านถึงบอกว่าตังวินานานยัตระทุกขังหนาโหติหนาจ่าตังตะโตทุกขเหตุอิติสัจจังวิสติกาที่บอกว่ากองทุกทั้งปวงก็คือมีชาติที่ทุกชราทุกพญาทีทุกมรณะทุกเป็นต้นนั้นน่ะจะได้เกิดมาแต่ที่อื่นก็หาไม่ได้น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 ที่เกิดร่วม ก, ก, กันกับกรรมเนี่ยเป็นต้นเนี่นะตัณหาที่เป็นใหญ่เน่ยแหละทำให้สัตว์เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรเส้นกาลชานานนับพบนับชาติไม่ได้ไม่เห็นที่จะมีที่พานักอาศัยนะพระพุทธเจ้าตัดเรียกตัณหาว่าเป็นสมุทัยะเพราะตัณหานั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดกองทุกข์ทั้งปวงดังที่ได้กล่าวทีนี้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 ถ้าพิจารณาดูแล้วก็คือว่าในคําสอนของพระธเจ้าที่ท่านพูดถึงในเรื่องของอัดเห็นไหมอัดของทุกข์อัดของทุกขสมมู ท, ทยัยอัดของทุกขนิโรธอัดของทุกขานิโรธท้าคารมีดีบริบทาเนี่ยก็ต้องทําความเข้าใจเบื้องต้นจริงๆเนี่ยที่ท่านใช้คําบอกว่าทุกขสศสตร์จ่าที่ใช้คําว่าปีรณโถนเนี่ยเบียดเบียดประการหนึ่งสังคตัดโถมีอัดว่าปัจจัยประชุม ป, ปุงแต่ง สันตาปโธก็คืออาจว่าเดือดร้อนเล่าร้อนวิปริณามโธก็คือว่าแปรปลวนนี่ในชั้นของหนังสือในสารถาสมุใจเนี่ยสมุจยะเนี่ยนะท่านอธิบายไปหลายมุมท่านบอกว่าอาจเบื้องต้นเนี่ยปีรณโทเนี่ยเป็นลักษณะแห่งตนคือเป็นลักษณะของกองทุกข์ที่พระริยาเจ้าเนี่ยนะทุกข์ที่พระริยเจ้าท่านเห็นเนี่ยนะมีพระเจ้าเห็นเนี่ยท่านแสดงอัก น, นี้บอกว่า ให้เห็นใจความของกองทุกทั้งสิบสองกองท่านก็บอกว่าชาติที่ทุกเนี่ยนะีบังเกิดแก่สัตว์ผู้บาดเกิดเนี่ยกำเนิดอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยชาราทุกอันมีลักษณะทำให้อินทรีย์คลัางคล่าวิกฤวิการวิจิรวิปริตต่างต่างเนี่ยนั้นเป็นพยาธิทุกขลักษณะนัยความป่วยไข้ ค, ความลําบากด้วยทุกขเวทนาทั้งหลายต่างๆที่เบียดเบียนกระแสขันของสัตว์นั้นนะนะนั้นประการหนึ่งมราณะทุกก็คือลักษณะตัดชีวิต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 อุปายาศาสก็ลักษณะทําให้สะอื้นอะไรอปิเยอปิเยหิสัมปโยคาทุกก็มีลักษณะขัดข้องหมองมัวแล้วก็ตรอมใจเหตุประกอบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอปิเยหิวิปโยคาทุก็คือมีลักษณะทําให้โศกทําให้โศกาในการเมื่อพลาดภาคจากสัตว์และสังขารนันเป็นที่รักยำปิดฉังรปติก็คือมีลักษณะทําให้หม่นหมอง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 เห็งทุกขสัจจะโดยแท้ฉะนั้นลักษณะของชาติทุกชราทุกพญาทิทุกมราณะาทุกโศกาบริเดวทุกกะโทมนัสสาวาญาตเป็นต้นเหล่าเนี้นะหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกเป็นต้นเนี่ยลักษณะเหล่านี้ทุกมันจะรายงานตัววนตลอดลักษณะของเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแล้วมันก็เบียดเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเขาเรียกว่าปีนาะมันคอยมาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม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 ชาติทุกเบียดเบียนนียชราทุกกะเบียดเบียนพญาธิมรณะโสกาปุรีเทวะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกใช้คําว่าปีรณโถทีนี้สังคตัดโถเนี่ยด้วยอถิว่าต้องทําความเข้าใจให้ชัดนะสังคตัดโถเนี่ยที่มันมีปัจจัยประชุมบงแต่งเนี่ยคําว่ามีปัจจัยประชุมวงแต่งเนี่ยเขาต้องอธิบายให้หิงให้ทะโลทะลวงไปจนถึงสมุทยัยสัจจ เหกษัตริย์จ จ, จริงแล้วก็ต้องพิจารณาย้อนกลับไปหาสมุทัยให้ชัดถึงจะเป็นลักษณะของสังคตถโ ถ, ถก็จะไม่ต้อง ด, ดาสังคตถโถนแปลว่าอะไรมีปัจจัยประชุมบุงแต่งใช่ไหมตัวทุกเนี่ยต้องอาศัยปัจจัยประชุมบุงแตกไหมต้องมีกรรมบุงแต่งต้องมีจิตบุงแต่งต้องมีอาหารมีอุตโภคุงแตกใช่ไหม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 ทุกๆกองเนี่ยนะในยมสวรรค์นะเนี่ยเป็นรัก什么样เงี้ยแต่พอมาถึงสังคตัดโถเนี่ยปัจจัยประชุมปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงปรุงแต่งรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไงก็ต้องอธิบายให้เห็นตัวทุกหร um ือท pues e nah ําความเข้าใจทุกขสัจจะนี so ้ด้วยความจริงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงตัวสมุทัยยสัจจะ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 คำว่าสังกตัดโถเป็นอัดของทุกขสัจจะเป็นครบรสองเข้าใจยากนี่ก็เห็นตรงนี้นะประการต่อมาก็คือครบรบสามสันตาบัโถเนี่ยต้องพิ จ, จารณาให้ถึงตลอดให้ให้ถึงมรรคให้ถึงมรรคสัจจะจะได้เห็นใจความประกองทุกทั้งปวงเนี่ยทําให้สัตว์เดือดร้อนละสัมระสายกันอยู่เนี่ยเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายยังมัวมัวเมากันอยู่ยังประมาทอยู่ใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายประมัวเมามีโ ม, ม, ม, มหะปกปิดใช่ไหม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 นี่ตอนนี้ถ้าเราเห็นใจความของกองทุกข์ทั้งปวงอะทําให้สัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนละสัมลสายอยู่ร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติชราพยาธิโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสารและอุปาญาตใช่ไหมไอ้ไฟเผาร้นต่างๆเหล่านี้มันจะได้เห็นว่าโอ้โหเนี่ยการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจการมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอการมีรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ย ตอนนี้มันกําลังระส่ำระสายเพราะไฟไม่อยู่ถ้าเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยอุตสาห่าไ้มตอนเนี้ยถ้าอย่างนี้จะอุตสาห่ในการจะประกอบมากษัตริย์ตอนนี้เราไม่ประกอบศิกขาสามเลยเพราะมันเราไม่เห็นสันตาปะโถใช่ไหมไม่เห็นว่ามันกําลังเดือดร้อนอยู่มันระส่ำระสายกันอยู่เอาที่เนี้ยวิ่งกันให้พลาดหมดเนี้ยเนี่ยนะนี่มันเดือดร้อนกันทั้งภายนภายในภายนอกเนี่ย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 สังคาตัดโถก็คือมันมีประชัยประชุมวงแต่งตลอดพอมันหมดขันนี้ไปเสร็จมันก็ประชุมใหม่อีกหมดขันนี้ก็ประชุมใหม่อีกบุงแต่งใหม่หมดขันนี้ก็ประชุมใหม่อีกต้องจะหมดได้ยังไงถ้ากรรมมันเยอะแล้วกูนี่ทำไว้เนี่ยนะก็ปแปล ว, ว่าโรงงานผลิตเนี่ยรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกเพียบอีกเยอะคือประเภทที่ว่ารอคิวแล้ว เอาที่เนี่ยลองลองหมดลมหายใจเมื่อไรเนี่ยใช่ไหมรอคิวเป็นแถวมอบให้ก็ใช่นั้นก็แล้วแต่เนี่ยกันเนี่ยใช่ไหม <S <S เขาจะคอยปรุงแต่งตลอดแลยนี่สังกัะถัส่วนส่วนถ้าอยู่ก็เร่าร้อนด้วยเอาสิทุกพพเป็นอย่างนี้หมดก็เดือดร้อนละสามละสาย พอเดือร้อนระสาระสายเบียดเสร็จก็ทําให้สัตว์เหล่านั้นนี่ยนะเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายมัวเ ม, มาประมาดเดินผิดทางกันเนี่ยเพราะมีมโมหะปิดใช่ไหมก็คือไม่อุตสาหาปฏิบัติไอ้มรคสัจจะ ก, ก็คือสถถัมมาทิฏฐิเละเดินสัมมาทิฐิไม่เป็นด้วยเอาสิสัตว์เนี่ยเจริญสัมมาทิฐิเนี่ยไม่เป็นใช่ไหมเพราะไม่รู้จักสถถัมมาทิฐิว่าเป็นสถถัมมาทิฐิไม่รู้มิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหม พอไม่รู้เบสิสเนี่ยความรู้กัเลยไม่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไม่รู้จักสัมมาวยมามะมิจฉาวยมามะไม่รู้จักสัมมาสติมิจฉาสติไลไปตามแบบนี้นั้นมรรคี่เขาจะไม่รู้สัมมามรรคเลยไม่ไม่รู้มิจฉามรรคคืออย่างนี้บางทีเราท่องได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบมิจฉาสังกิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดใช่ไหมสัมมาวยมามะความเพียรชอบมิจฉาวยมามะเพียรผิด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 เอาไปนั่งฟังกันที่ไปนั่งเรียนเรียนเรียนกันศึกษาพระธรรมกันโอ้โหกลับมาวันนี้ฟังแล้วเข้าใจเราเข้าใจอยู่นั่นแหละ <c oughs> ใช่ไมก็หมายควาเราได้เข้าใจแล้วก็หัวงั่นนะเหมือนวันนี้ทราบซึ้งมากหังนงั้น <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยจะทําไง <c oughs> อย่ามาเอาปรึกษากันแล้วเดี๋ยวนี้ปรึกษาหย อ, อกากระทบ จะมาปรึกษาเสร็จก็ต้องรีบกลับแล้วเดี๋ยวต้องเรียบแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเสียดายทุกข์สัตร์จมาก็ก็เป็นอย่างเงี้ยสัตว์ทั้งหลายก็อุตสาหปฏิบัตินะอุตสาหปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัตินะ ทำไมอุตสาหะปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแหล่านี้เนี่ยนะที่มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดก็หมายความว่าเดินสิกขาสามไม่ได้ในชีวิตจริงๆไม่รู้จะเดินสัมมาทิฏฐิยังไงไม่รู้จะเดินสม า, งงมสมาวายามะยังไงแล้วก็สัมมาสติยังไงทีนี้แม้ได้สูตรก็จําได้เลยน ะ, จะเจริญสัมมาทิฏฐิอันาศัยเวลาค่าอนาสายเนยวิเวกอาศัยเวลาฆ่าไสนยนโรท่านน้อมไปเบื่อลกาสรสลัดทิ้งวะไง จเจริญสมาธสังกปะอ่านอาสัยวลาอานอันวิราคะอ่านาศัยนิโรธะนอมไปประการสลาทิก็ล่ไปตามนำดับท่องกระเดแต่ดนข้อแท้จริงคิดตีหไม่เป็นเลยอาลองคิดให้เป็นกรรมสกดาสมาธิตี ท, ทีเอาคิดเรื่องกรรมกัเนเลยให้เป็นกรรมสกดาสมาธิตีไยั ง, ไงคิดยางไงอ่เราก็ดัาคิดูที คิดยังไงมองปุ๊บเลยเป็นกรรมสกตาสมาธิทีให้มีความเข้าใจทันทีว่ากรรมสกทาสมาธิทีก็นั่นแหละลองมองให้เป็นกรรมสกตาสมาธิทีอันนี้นี่ไม่ยืดเว้นวิปัสสนาเนอะไย้มาเอาเป็นกรรมสกตาสมาธิทีให้เห็นถูกในเรื่องของกรรมในผลของกรรมเลยแล้วความรู้สึกตรงเนี้ยมันรู้สึกเห็นปั๊บก็เข้าใจทันทีเลยมั้วว่าว่าเนี่ยว่ากําลังทํากรรมอยู่จะมาเห็นกําลังทํากรรมเลยเนี้ย ตอนนี้กายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมกําลังเป็นไปอยู่กับบุญและกับบาปอยู่และในขณะเดียวกันว่าสัตว์เหล่านี้ก็กําลังรับผลของบุญและผลของบาปอยู่มีความเข้าใจอย่างนี้นะโดยย่อเข้าใจอย่างนี้ก็ไปแต่งแยกแยะไปไปว่ากรรมสิบสองเลยก็ว่าไปเป็นชนโลกรรมอุปถรมพกกรรมอุปิีละกรรมหรืออุปคาตกรรมก็ว่าไปหรือว่าทิฏฐาธรรมเวทนิกรรมอุปชาเวทนิกรรมอัปราปรเวทนิกรรมหรือโอสิกรรม ถ้าเข้าใจอย่างนี้นะะอันนี้ปนแปล ว, ว่ากรรมสักดาสมาที่เถรเริ่มเริ่มเริ่มจะออกลายมาบ้างเริ่มจะมีมาลางลางลางัลงลงบ้างเยอะไหมที่โดยข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ไล้อ้าวโดยไหมเห็นคนกําลังเดินอยู่ว่าเขาประกอบกายกรรมอย่ไงไรเห็นคนกําลังพูดอยู่กําลังประกอบวาจีกรรมอย่างไงเห็นอน้อมว่าเขาจะต้องคิดที่เป็นทั้งมโนกรรมอย่างไรเป็นต้นเงี้ย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 ถ้าในกรณีองเงี่ยก็ยังมีความอุตสาหะในการที่จะประกอบมรรคกิจนะมรรคสัตย์พอสมควรนะเพราะยังมีความเข้าใจในชั้นของพื้นฐานได้บ้างเนะี่ยแล้วถ้าระดับไปกว่านั้นก็คือว่ามีความเข้าใจวิปัสนาสมาธิถี่เลยอยเนี่ยจนสามารถวิจัยเห็นอทุคสัตเป็นต้นเหล่านี้ได้จนชัดเจนในศัพท์ของคาว่าปีระโถอย่างไงว่า S 1> <S 1> ในกระแสะขันของสัตว์ที่ตั้งแต่การเกิดการชราการมีพญาทีมาเบียดเบียนมีวราณะคอยดักอยู่ต่างๆเหล่านี้ตลอดถึงมีความโศความล่ําไรลําพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะคอยเยบียดเบียนกระแสขันกระแทกกระทันกระแสขันอยู่ตลอดเวลาเลยและในขณะเดียว ก, กันก็คือว่าพูดถึงในเรื่องของสังคตัตโถก็ม่พิจารณาว่าไอตัวตัณหาที่เกิดร่วมกันกันกบกรรมที่มีกรรมเป็นสหายในสังสารวัต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 ออสัตว์นรกไม่อยากตายอ่ะคิดดูที่วิ่งหนีเนี่ยเขาไม่อยากตายเนะใช่ไหมสัตว์เดรัจฉานก็ไม่อยากตายเปรตก็ไม่อยากตายอสุรกายก็ไม่อยากตายมนุษย์ก็ไม่อยากตายเนีแต่เขาเขาอยากจะหนีทุกแต่การคิดหนีทุกของเขาก็คิดกันโดยประการละต่างๆใช่ไหมตามที่สภาพของความเข้าใจของสัตว์นั้นน่ะมันคิดเองไง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 สังกะปะเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่รู้จกักมิชฌาสังกะปะก็ไม่รู้สัมมาวจาก็ไม่รู้ ม, าาามิจฉาวจาก็ไม่รู้เพราะความรู้ความเข้าใจเหล่านี้เป็นสัมมาทิฏฐ er ิเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาท um, ิฏฐิจะต้องรู้จักสัมมามรรคแล้วก็มิชฌามรรคสัมมาทิฏฐิจะต้องรู้จักกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทใช่ไหมสัมมาทิฏฐิจะต้องเข้ารู้รู้จักทุจริตและสุจริต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 เพราะเรายังไม่เคยเอาศรัทธาของเราเนี่ยไปอยู่ในโลกตุตละมัคได้สักครั้งเลยอ่ะถ้าวันใดวันหนึ่งเราสามารถขับเคลื่อนนะทําให้ศรัทธาของเราเนี่ยไปตั้งมั่นขณะเดียวเท่านั้นแหละในมัคจิตนะแล้วยอมสุวรร์ไม่ต้องมาตั้งศรัทธากี่ก็ได้ตอนนี้เขาเรียกเป็นอจฉริศรัทธาแล้วตอนนี้ยอมสุวรร์เล่งขึ้นในนี้เดียวอ่ะได้มหากุศลไปได้นิดเดียวนะครับตกมาอีกแล้ไม่ต้องเล่งใหม่ก็ตกมาอยู่เงี้ยอย่ไม่ขึ้น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 ไม่ต้องเชื่อผู้ใดอีกแล้วจรศรัทธาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเล่งเรื่องอวริยะเลยเพราะเวริยะนี่ได้เหตุปัจจัยอย่างรุนแรงนะคือคือว่าพ้นทุกข์แน่นอนนใช่ไหมถึงถึงท่านไม่เพียนอีกเลยตั้งแต่บัดนั้นน ะ, ะท่านอาจจะประมาทโมเมาก็ไม่เกินเจ็ดอย่างเงี้ยโอ้โหลอคิดดูเใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าความเพียรได้ไปแตะโลกุตระสักครั้งแล้ว ใช่สติเนี่ยได้ไปขึ้นได้ครั้งหนึ่งสมาธิและปัญญาเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมตอนนี้แม้จะเป็นอินทรีย์ก็ยังไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เลยใช่ถ้าอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ใช่ไหมมันอาจจะเคยบ้างบางครั้งเนี่ยศรัทธาเป็นใหญ่วิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยแต่ไม่สูงสุดสักทีงั้นตรงนี้ก็คือหน้าที่ของยมสุวรรณก็คือว่าผักดันศรัทธาให้ถึงโลกุตระใช่ พอไปถึงตรงนั้นเบ็ดเสร็จตอนนี้ก็บอกว่าโอ้โหมั่นคงแล้วเป็นอจิจฉาศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวของคุณในคุณของพระพุทธพระธรรมปาริยสงฆ์และยรสุวรรจะเป็นหนึ่งในรัตนตรยัยเป็นหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยพัฒนาจนเป็นหนึ่งในในรัตนตรยัยโอ้โหน่าชื่นใจนะถ้าเป็นได้ใช่ไหมตอนนี้ยังยังผักดันได้ไม่เม่าวรได้แค่โลกิยะเอง ถ้าวันใดวันหนึ่งจะเป็นโลกุตละสรารนคมอะไรเนี่ยโอ้โหใช่ไหมหมดหว่วงเลยใช่ไหมกลับมาเนี่ยเขาคุยกันเรื่องโอ้โหเป็นทุกเลเกินทุกเลเกินเรานั่งยิ้มเลยใช่ไหมโอโ้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละบอกเขาว่า น, นี่คนต้องเร่งให้ถึงที่อะไรเงี้ยนะพูดไปก็ยิ้มไปได้เลยใช่ไหมตอนนี้ยิ้มแห้งๆนะตอนนี้ใช่ไหมเพราะมันยังไม่ถึงแต่ตะโกนที้เขาถึงแล้วเนี่ยเขาปลอดภัยแล้ว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 ต้องอธิบายตลอดให้แทงตลอดถึงนิโรธสัจจะจะได้เห็นชัดบอกว่ากองทุกทั้งปวงเนี่ยชาติทุกก็ดีชร า, าทุกก็ดีพยาทิทุกมราณะทุกก็ดีทั้งสิบสองนี่นะทุกทั้งหมดเนี่ยก็ททำให้สัตว์ทั้งหลายวิปริตต่างต่างเพราะเหตุที่ยังไม่ได้บรรลุหรือสาเร็จพระนิพพาน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 ทุกข์เพราะการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้มันยังไม่หมดแต่ถ้าได้สัมผัสพระนิพพานไปอารมณ์ปุ๊บนี่นะกองทุกข์อย่างโมโหลาเลยเนะี่ยมันดับหายไปเลยมันน่าเชิ่ใจตรงนั้นแหละเพราะว่าทําให้วิปริตผิดพันธอยู่ในในอานาจของกองทุกข์นะนะั้นน่ะเป็นเพราะเหตุที่ไม่ได้กระทําให้แจ้งซึ่งมิโร ธ, ธัสัจจะพระพุทธองค์ประสงค์จะให้เห็นชัดตลอดถึงนิโร ธ, ธัสัจจะจึงทรงสแสดงอัตของทุกข์นะี้โดยความว่า วิปรินามมอเนี่ยเป็นอัดของทุกขในประการที่สสรุปแล้วก็คืออัดแรกปีรณาโโอันนี้เป็นตัวทุกขโดยแท้เลยสิบสองไล่ไปตามลาดับประการที่สองสังคตัตโถใช่ไหมสังคตัตโถนั้นก็คือทำความเข้าใจทุกให้ทะลุ ถ, ถึงสมุทยัยสัจจะประการที่สามสันตา ม, มาัโโ ให้เข้าใจทุกเนี่ยว่าสัตว์ทั้งหลายที่มันเดือดร้อนและสัมราสายกันอยู่เนี่ยเพราะสัตว์นั้นไม่ประกอบมรรคสัตย์ยังไงต้องพระพุทธงค์มันมีพระประสงค์จะให้แทงตลอดถึงมรรคสัตย์ส่วนวิปริณามโเนี่ต้องอธิบายตลอดถึงนิโรธาสัจจะจะได้เห็นชัดบอกว่ากองทุกข์ทั้งปวงคือชาติทุกข์เป็นต้นเนี่ยก็ทําให้สัตว์เนี่ยต้องวิปริตต่างๆอยู่นั้นก็เพราะเหตุที่ยังไม่ได้สําเร็จนิโรธาสัจจะคือพระนิพพาน ถ้าใครมีวาสนาบารมีแก่แกล้าสําเร็จอริยามรรคอริยผลกระทาให้แจ้งซึ่งพระนิพพานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในการใดกองทุกทั้งปวงจะสูญสิน้นจะสุขอย่างเที่ยงแท้ไม่แปรปรวนวิปริตผิดผลใช่ไหมที่จะแปรปรวนวิปริตผิดผลอยู่ในอำนาจกองทุกนั้นเป็นเพราะเหตุที่ไม่ได้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธาสัจจะไม่สามารถกระทําพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงเนี้ถ้าเราเข้าใจเบ็ดเสร็จอย่างนี้หนึ่งเข้าใจทุก 2. ให้ทะลุทะลวงถึงมวนถึงถุงสมุทรยะส จ, จกักสังสังกัตโถเนี่ยประการที่3ต้องสามารถทําความเข้าใจเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมองทะลุทะลวงไปจนถึงมรรคศาตร์เพราะเป็นสันตาบัตโถยังไงทุกข์เนี่ยเดือดร้อนอยังไงเพราะไม่ประกอบมรรคศาสตร์ยังไงได้กระตุน้นเตือนใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นวิปริณามโถเพราะวิปริตต่า ง, ต, างต่างเนี่ยเมื่อได้ทุกมาแล้ววิปริตมากนะวิปริตมากด้วยความร้อนด้วยความทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นเหล่านี้ เพราะสัตว์ทั้งหลายวิปริตต่างๆอะไรนี้เพราะไม่เพราะยังไม่แทงตลอดพระนิพพานคือยังไม่สามารถไปเอื้มอมมนิพพานเป็นอารมณ์ได้อะถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ตราบใดเนี่ยกองทุกข์ทั้งหลายก็หมดใช่ไหมมีนิพพานเป็นอารมณ์เป็นขั้งแรกได้มากขั้งแรกเนี่ยเห็นไหมหดไปเยอะไหมสังสารวัฏหกเป็นหดไปเยอะเลยก็ลองคิดดูที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะนับเลยว่าจะเกิดอีกกี่ชาติ แต่พอมีพระนิพพานเป็นลมเป็นครั้งแรกนะหดเหลือเจ็เนะี่ยถ้าหากว่าได้พระนิพพานเป็นครั้งที่สองเป็นพระสกาทาคาเมีเนะี่ยจะมาในโลกนี้ครั้งเดียวเห็นไหมถ้าเป็นพระนาคามีจะไม่ไม่มาในการมาภูมิอ่ะจะอยู่ในสุดทาวาสหรืออยู่ในรูปในรูปภูมิเป็นต้นเนี่ยถ้าได้เป็นพระอรหรนะันต์น่ยไม่มาเลยในสังสารวัฏเอาสิกระจายใช่ไหมเพราะที <S 1> <S 1> ่เราวิบการเกิดต่างๆเนี่ยชื่อเป็นความวิปริตหมดเลยเนี่ยเพราะเราไม่ นีทอธิบายในในอัฐที่สี่ต้องมองให้เห็นพระนิพพา น, นนี่พอจะมองหเห็นทุกหรือยังถ้าอย่างนี้เขาเรียกวิจัยทุกเป็นแล้วต่อมาก็คือสมุทัยสัจจะอายุหนัโถแปลว่าอะไรอยุหนทโถเนี่แปลว่าอะไ ร, ท, ท, ร, ะไรที่จริงในอัตของของสมุทัยสัจจะเนี่ยมันก็มีการที่ท่านใช้คำบอกว่า สภาพทําให้ทุกเจริญขึ้นเนี่ยนะมีสภาพรวบรวมมอบให้ผูกมัดแล้วก็รบกวนต่างๆก็แล้วแต่จะใช้ใช้ศัพท์แต่ในที่นี้ท่านใช้คําว่ายัวนโถประมวลมาประมวลอะไรมาให้อาสมุทยะสจจาเนี่ยเขาประมวลอะไรมาให้ประมวลทุกมาให้ใหมประมวลอะไรขันอิยตนาธาตให้กษัตริย์เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านแคสได้อันเนี้ยผลผลของตัาหาเขามอบให้ นี่เขามอกให้เขาประมวลมาให้บอกเอาไปว่าไงยังชอบตาจะไม่เอาตามาให้เห็นไหมเอาตามาให้เอาหูมาให้เอาจมูกเล่นเอากายให้เขากลับกรรมไงเขามีกรรมเป็นสหายแล้วเขากลักระซิปกรรมแล้วกรรมก็ทกํากรรมให้วิจิตก็ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจแบบนี้อพอได้ตาหูได้ได้ตาหูจมูกเล่นกายใจได้รูปประคันเวทนาสัญญาสังขนารมิญาณในขณะปฏิสนธินะตัณหาเขาบอกต่อ บอกกัเดี๋ยวเราจะเกิดร่วมกับกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะไปช่วยประคับประคองและไปช่วยเบียดเบียนและตัดทอนเป็นต้นตามสถานะโอกาสาที่เราปรารถนาจะทํำมาเลยตเนี๋ยมันก็มาเล่นงานยมสวรรค์เลยดนเดี๋ยนี้มาแล้วกรรมมาแล้วไอ้กรมกรมที่เกิดเขามีมีสหายเป็นมีตัณหามีกรรมเป็นสายนั่นแหละก็มาเล่นเนี่ยเริ่มเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเอาเร่องทำเอาที่ทํางานไปเอาที่ ทรมานปะนั่นนะข้าวนะข้าวเราเล่นเลยเดีเนี้ยได้โอกาสเล่นตรงไหนบางที่จะเจาะเขาได้เจาะเขาร่างกายก่อนเบียดเบียนเงินแล้วในส่วนจริงก็เอาแล้วอ้าวอยู่ไปก่อนนี่แหละว่าไง น, นะนี่รางวัลที่มอบให้อถ้าหยุดหายใจเมื่อไรเดี๋ยวรับใหม่นะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวหม่ ย, หมยังไม่หมดยังเหลือเยอะว่าไงเนี่ย น, นะนี่เขาประมวลให้ตลอด เขมอบให้เหมือนเราได้ใหม่ๆได้ใหม่ๆเขาพากันดีใจนะโอ้โหเกิดวันอะไรนะลงวันที่กันนะใช่ไหมลงวันที่ตั้งชื่อให้อย่างเพาะเลยว่างั้นจะตั้งขะตั้งรูปปั้นให้เวทนาสัญญาสังขารนิยานะอ่ะชื่อ น, นี้อ้าให้นามตะกณ์เขาอีกใช่ไหมบเบ็ดเสร็จพอเผื่อให้ตาแหน่งเขาอีกมอบให้บเบ็ดเสร็จโอ้ชื่นใจเพราะงั้นนะ เอาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งพล่านไปแล้วเขามอบให้แล้วเนี่ยเหมือนเขามันเป็นอคนเขาหรือว่าเป็น อ, องวันเขาเหมือนมอบตำแหน่งให้ตองคิดดูวิ่งกันพล่านกันอยู่นี่ยนะยังไงก็อมอบให้โอ้โหวิ่งกันใหญ่เลยแต่ก่อนก็ดีๆนี่แหละไม่ค่อยเป็นไรหรอกพอร่วมได้ตำแหน่งแล้วมันมันปใหญ่เลยตอนนี้ ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มนีเขามีเรื่องเขาไอ้ข๊ขปในเล่าเรื่องเนี้ไอ้แต่ก่อนก็อยู่กันดีดีนะเป็นเรื่องชาวบ้านธรรมดา เป็นผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาแล้วโหเสร็จแล้วตอนเนี้ยเริ่มกินข้าวกับภรรยาไม่ได้แล้วก็บอกนั้นนีอมันเป็นอย่างนี้ในโมหะตัณหาต่างต่างเป็นอย่างงี้ยบอกให้ไม่ได้ไม่ได้เองเป็นลูกบ้าน<笑><笑>ใช่ไหยเราเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ยอมกินไม่ยอมให้กินข้าวด้วยเลยแขกจัดพวงตัณหาเลยเอจากการอยู่ด้วยกันเหนื่อยมาด้วยกันแทบตายเห็นไหมเพราะตัณหามันมันหลงผิดขึ้นมาก็ ใน้าวในข้เขานจะทำอะไรต่างๆนี้ต้องมีสิทธิพิเศษขึ้นมา แ, แต่นี้ลำบากแล้วแต่เนี่ยพอถึงเวลานอนเขาบอกไม่ได้แล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นประมวลทุกมาให้เนาะประการต่อมานิทานโถนี่แปลว่าอะไรเนี่ยเป็นเหตุ นิทานนี่เป็นเหตุนะสังโยคัทโขก็ประกอบปรินิพปริโพทัทโขก็คือเป็นเครื่องกังวลนะอายุหนัฐโถมีลักษณะลักษณะของตนเลยนะลักษณะของทุกขสมุทัยแท้เลยของสมุทัยจริงๆเงี้ยตรงนี้นะเออตัวสมุทัยยะสจัเนี่ยอายุหนะเนี่ที่แปลว่าประมวลมาเนี่ยตัณหานัเนี่ยเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้ากลมใหญ่ เขาเป็นพนักงานตกแต่งกองทุกให้แก่สัตว์ทั้งหลายก็มีหน้าที่เก็เกิดร่วมก็มีกรรมเป็นสหายก็ตกแต่งกองทุกมาให้ฟังฟังมันน่าพรา่อมีหน้าที่ตกแต่งน่ยนะประมวลซึ่งกองทุก์ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วเขาไม่เลือกหน้าเขาไม่เลือกหรอกอ้าวสมมติว่าตอนนี้เราอยู่เนี่ยหมายบางท่านอยู่ในฐานะที่มีคนนำหน้าถือตาอะไรใช่ไหม เวลาจะมอบให้มันน่าจะมอบสิ่งดีๆเป็นรางวัลบางทีเขามอบเอบาศัตศให้เงี้ยโอ้โหยุ่งเลยน่าเกียดจริงๆไม่เห็นใจกันเลยใช่ไหมเราทําประโยชน์มากก็ตั้งเยอะทําประโยชน์ให้สังคมอย่างมากมายเลยอ่ะมันน่าจะให้รางวัลดีๆจะมาไปให้เป็นออาใบยศโอ้โหมันไม่คุ้มเลยอ่ะเดี๋ยวเขาตกแต่งให้ดีประหลาดแท้ทั้งๆ ท, ท, ที่บอเป็นผู้ยิ่งใหญ่เลยนะ บางพบบางชาติเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยใครๆก็เคารพนับถืออย่างใหญ่หลวงเลยกาว่ามันจะได้รางวัลชิ้นโตยังไม่ผู้มอบให้เนี่ยเพราะในปัจจุบันนี้โอ้โหคนในโลกใบ น, นี้ก็มอบรางวัลกันเป็นแว้วบางทีโอ้โหเขียนเต็มไปหมดเลยรางวัลมีมอบไปเลยไม่รู้ยิ่งทศศัยการการพระศาสนาเราได้เสมาธรรมจักรก็บางทีนะขนาดนั้นเลยนะช่ไม ก็ใช่ไงนี่มันเป็นรางวัลที่มันเป็นเพศติดสมมุติเนี่ยไอรางวัลสมมุติเนี่ยสัตว์ก็ติดกันโอโ้โหติดกันเป็นแถวหมดติดเป็นแถวหมดแล้วเป็นอย่างงั้นหมดสมัยก่อนมาเรียนเนี่ยใบยประกาศมากเรเลียงไม่หมดไม่นั่นดูแต่กอนลงชื่นใจรับตายมิทิ้งหมดเลยจริงไอ้นี่มันของปลอมนี่ไอ้ของปลอมนี่โดนหลอกกันทั้งนานทุกเบอรคนจะไปทําลายโห้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้แต่ก่อนเนี่ จะดำสักหน่อยก็เช็ดอย่างดนะีต้องคอยประกาศโอเดี๋ยวนี้เพิ่งรู้ว่าที่จริงเนี่ยมันไม่เลือกหน้าเลยในะตัวตันหาเนี่ยตัวตันหาเนี่ยเขไม่เลือกหน้าที่เขาร่วมกับกรรมใช่ไหมเวลาไปไปพอจุติปุ๊บเนี่ยเจ๊ก็เก่งใจใท่านผู้นี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเรควรจะมอบตําแหน่งอะไรให้ไม่ไม่เป็นประชมนั้นเลยนะเหตุปัจจัยได้จังหวะก็สวมให้เลยเ ปุบขึ้นมาเนี่อเป็นอบายศัสตร์นี่ยุ่งเลยยุ่งไหมยุ่งเลยเอาเราเราเราลองทิดดูเดียสุ น, นัขบางตัวเนี่ยบางทีคือผู้ยิ่งใหญ่อะมาก่อนเนะี่ยสุ น, นัขบางตัวเนี่ยเคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่อัธยาศัยยิ่งใหญ่ก็มีนะเข้าให้แค่อัธยาศัยเท่านั้นแหละกรรม กรโบสถ์ศานาก็าให้แคอัธยาศัยไปอยู่ที่ไหนก็ยิ่งใหญ่แต่ม่ยิ่ใหญ่ได้แค่ไหนอ๋อโดนกัดหนนกัดตัไม่รู้ตัวเลยอ๋อจะยิ่งใหญ่ไปที่ตอนเนี้ยเพราะมันคนเราพวกอลไรใช่ไหมก็เหมือนคนที่ว่ายิ่งใหญ่ข้าง น, นอกโดนจับติดคุกเนี่ยโอ้เข้าไปในคุกคนเราเลืองกันเลยนะตอเนี้ยคนเราเลืองเลยเขาต้อนรับโอ้โหเจนี่นที่ะตั้งแต่เนี้ยทางประตูเข้านู่นแหละต้อนรับยันสุด ส, สดจอยดู่นแหละ มีการต้อนรับน้องใหม่กันเป็นแถวเป็นแนวเลยเดี๋ยวนี้ยเนี่มันเป็นแบบนี้ยท่านไม่เลือกหน้าบางท่านเนี่ยเป็นแค่ยาจกวันนี้พกเท่านั้นแหละใช่ไหมกลับกลายได้สถานะที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเอาสิอะไรเงี้ยอ้าเป็นอย่างงี้ซะอีเขาก็ไม่เลือกหน้านะไม่เลือกหน้าเขาอยีเย็วันเข้าใจตรงนี้นะเนี่ยเขาเลิกถึงบอกว่าตัณหานั้นเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้ากรมเป็นพนักงานตกแต่งกองทุกข์ให้แกพวงสัตว์ทั้งหลาย ประมวลกองทุกข์ให้กับเหล่าสัตว์เหล่านั้นไม่เลือกหน้าเลยไม่เลือกหน้าเลยว่าจะเป็นใครแล้วก็ไม่ไม่ต้องไม่กินสินบนใครด้วยไม่กินสินบนใครด้วยคุณจะมีสินบนกันหนาไหนเข้าใจนะมันไม่มันไม่บอกว่าเอ้ยนี่เราเนี่ยมีข้อต่อรองขนาดเนี้ยท่าในการเนี้เห็นเนี่ยพอจะพอจะยัดไตโต้กันได้บ้างยังวะต่อไปนู่นหมดสิทธิ์แล้ว ตรงนี้ตรงนี้ต้องเข้าใจในตัณหานั่นว่าโดยสังเขปมีสองประการที่บุบอกว่าเป็นไปในส่วนของอัตตะตัณหาแล้วก็ประะัฏทะตัณหาอัตตะทะก็คือว่าปรารถนาเป็นประโยชน์แก่ตัวเองจะให้สมบัติพัฒสถานจริงคารบริวารทั้งพวงเป็นของตนนึงปรัฏท ะ, ะตัณหาก็คือปรารถนาจะช่วยผู้อื่น แต่บรรดาที่ตนรักตนไข่มีบุตรภรรยาเป็นตนนะนะความป่าเถนาที่เป็นตันหาทั้งสองประการนั้นคนะั้นไม่สาเร็จตามความหมายก็ทำให้เกิดทุกข์เนื่งเนืองไม่เว้นแม้จะให้สาเร็จโดยใจคิดก็ตามมอาการดังที่ได้กล่าวมานี้นะรวดเร็วฉับพันทันใจนึกก็ย่อมให้เกิดทุกข์ความเศร้าหมอง แล้วก็กองทุกต่างเหล่านั้นก็บังเกิดแก่ ส, สรรพสัตว์ทั่วไปในไตรภพเลยทั้งในกามาภูมิร่วบภูมิแลร่วบภูมิลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอํานาจของตันหาเนี่ยกําหนดที่สุดแต่สัตว์ที่เล็กละเอียดที่สุดนึกไหอแปลกที่เหคือว่าเรนและไลาก็มีตันหานี่ไหมเรนและลาตันหาก็มีแล้วก็ไปเกิดเป็นศาสตร์เล็กนั่นแหละนั่นแหละ นั้นถาหพิจารณานี้บอกว่าเป็นเลือดเป็นไรก็ต้องมเกิดทุกข์เพราะมีความปรารถนาไอ้ตัวตัณหานะบอกอุ้ยสัตว์เล็กๆก็มีความปรารถนาไหมมีไหมมีเขามีความอยากมีความปรารถนานะไอ้ที่เป็นตัวไลวิ่งวิ่งไป ว, ว, วิ่งมาแค่ก็ยังมีปัญหาอยูคิดดูมันนึกว่าโอหสัตว์เล็กๆตัณหาไม่มีนะไม่ใช่มีไม่ต้องพูดถึงสัตว์ตัวใหญ่ๆ นิ่มเป็นเนี่ยตามวิสัยของตนที่เป็นสัตว์เล็กละเอียดขึ้นเชื่อว่าประกอบอยู่ด้วยตันหาแล้วเนี่ยก็เที่ยงแท้ที่จะประกอบทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประกอบอยู่ด้วยอุปัตถวะอันตรายต่างๆแสนทุกข์ยากลาบากบังเกิดแก่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยก็เพราะบังเกิดมาจากตันหานี่แหละตกแต่งให้ตันหาก็ทําให้ตันหาประมวลทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เพระบรมศาสดาก็เลยตรัสลักษณะของสมุทยาสจ่าเป็นประถมบอกว่าอายุอนานถวัว เป็นลักษณะแห่งสมุทยัยสัจจะว่ามีการประมวลนะมีการประมวลมาประมวลก็ได้มอบก็ได้ใช่ใช่นั่นแหละใช่ใชต้องเป็นในลักษณะอย่กนั่นะประการต่อมาก็คือนิทานะโถแปลว่าอะไรนิทานะโถเป็นเหตุใช่ไหม เป็นเหตุเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุนียเป็นเหตุมอบให้ซึ่งผลใช่ไหมไอ้คาว่าเป็นเหตุในที่นั้นก็หมายความบอกว่าให้เห็นชัดว่ากองทุกข์อ่ะเขาบอกว่าต้องอธิบายตลอด ถ, ถึงทุกขะอริยสัจให้ได้พนมาทําความเข้าใจสมุทัยยัสจารเนี่ยนะดรแดาเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วเ น, นี่ยมามองหน้าเนี่ย ใช่ไหมมองรู้เลยเลยคือตัวสมุทยสัจจะในด้านของอายุหนะโถเนี่ยเขาอธิบายท่านอธิบายนี่นะลักษณะของตัณหาแท้เลยทั้งการมต า, ราตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนในตาหูจมูกในกายใจไปตเตอร์น่ะไล่ไปเหออที่เที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเป็นที่ตั้ง ตัณหาเวะลาจะเกิดนเกิดณที่ไหนจเจริญขึ้นจเจริญณที่ไหนตั้งอยู่ตั้งอยู่ณที่ไหนนั่นแหละก็ทางท่อตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่ตาหูจมูกเล่นกายใจรูปเสงกินรสสัมปัตและทอารมณ์เป็นต้นเนี่ยก็ไหลไปตามนั้นนั่นแหละอธิบายลักษณะของตัณหาได้แท้เลยแล้วก็มาแยกของตัณหาที่เป็นไปในส่วนตนเองกับที่ปราตัณหากับบุคคลทีนี้พอมานิทานะโถก็ต้องอธิบายให้ตลอดถึงทุกขสัตว์เราเป็นเหตุยังไงจะได้เห็นความชัดว่ากองทุกข์ไงนะ ที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะกองทุกมีแก่สรรษษตร์ปัตสาทั้งหลายนั้นอาศัยลายสายตันหาเนี่เป็นเหตุมีเหตุก็คือตันหาแล้วก็สําหรับแต่ที่จะให้ผลกล่าวคือกองทุกทั้งปวงมีชาติที่ทุกเป็นต้นนเป็นประธานตรงนี้ก็หมายความบอกว่าตัวตันหาจริงเป็นนิทานโถ ค, คําว่าเป็นเหตุจริงต้องอธิบายว่าเป็นเหตุของทุกขยังไงแล้วไปเชื่อมโยงให้ถึงทุกขสัตว์จัก ด, ด้วยนู้นกลับไปดูทุกสิบ ส อ, อย่างทุกสิบสามอย่างนั่นแหละรวมเบ็ดเสร็จก็คื อ, อปาทานกันห้าเป็นสิบามนั่นแหละในทุกต่างๆเหล่านั้นน่ะตัณหาเนี่แหละเขาเป็นเหตุเป็นเหตุก็ต้องอธิบายให้ทะลุทะ ล, ทะลวงคิดให้ถึงทุกข์ด้วยไม่ใช่คิดเฉพาะว่าเป็นตัณหาอย่างเดียวทั้งนั้นมันไม่เห็นพระประสงค์ของพระบระมศ า, าสดาต้องการให้ศาสัตว์นั้นเห็นทุกข์ด้วยแล้วก็เห็นเหตุของทุกข์ด้วยก็อธิบายเหตุของทุกข์ว่า ลักษณะของอายุหะณะมาแล้วต่อมาก็ในลักษณะของนิทานโถเนี่ยนะนิทานโถเนี่ยเป็นเหตุยังไงเป็นเหตุก็ต้องอธิบายให้ถึงทุกขสัจจะทุกขาริยสัจเพราะกองทุกทั้งปวงมีชาติทุกข์ชรลาทุกพญาทุกมรณะทุกข์เป็นต้นเป็นเวลานเพราะพระองค์ประสงค์ให้เห็นใจความตลอดถึงทุกขาริยาสัจจานี้จึงแสดงอัตของนิทานโถเป็นอัตของสมุทัยสัจจะเป็นคำรบสอง พอมองเห็นไหมเอ้าเห็นยังไงเห็นยังไงเอ้าเห็นยังไงแล้วต้นเตระดาเห็นไงไม่เห็นแล้วเห็นยังไงเล่แค่แค่ขจัด ไม่ก็จะติดยากเลยเลยยากเลยไม่ค่อยได้ใช้บาลีนะจริงใช้เลยอ๋อโอ้โเอโอ อายุหานะนี่ไปแล้วมั้งอายุหานะเข้าใจไมนิทานนาแปลว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรก็ใช่อ้าวก็เข้าใจเลยถามว่าได้ตาหัวจมูกเล่นกายใจมานี่เป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วอะไรเป็นเหตุของทุกข์เหล่านี้ อา้าวเขเข้าใจแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเข้าใจคำว่าถ้าจะแทงตลอดเนี่ยอ น, นิทานัโถเนี่ยต้องอธิบายให้ถึงทุกขาลียสัตว์ต้องให้ถึงทุกสัตว์ด้วยคือเข้าเราเข้าใจทุกขะสมุทรไทยแล้วใช่ไหมเข้าใจตัวตันหาแล้วทีนี้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 ก็หมายความว่าให้ให้เข้าใจถึงทุกสิบสองกองประมวลรวมเป็นกองที่13ก็คืออุปาทานขันห้5ว่าทุกสิบสองกองรวมเบ็ดเสร็จก็คือเป็นอุปาทานขันห้านั่นแหละหรือทุกอย่างมากมายที่เป็นไปในสังสารวัตรทั้งสิ้นทั้งในอดีตปัจจุบันและที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ยที่ไม่รู้จบรู้สิ้นเนี่ยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุก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 ใช่นั่นแหละใช่ใช่ใช่ใช่นั่นเองจะได้นั่นแหละ้ย คือคอประเด็นอยู่ตรงที่ว่านิทานโถเนี่ยเป็นเหตุของทกุกก็หมายความว่ า, วาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่ของดรแลดาทั้งหมดเนี่ยคือตัณหาเป็นเหตุมา ท, ท่านถึงบอกว่ามีอัดอธิบายตลอดถึงทุกขสัตว์อย่างไรอัดของเขาเนี่ยอธิบายถึงทุกขสัตว์ยังไง ไม่ใช่อธิบายตัวสมูทัยอย่างเดียวเห็นไหมเพราะอะไรเพราะอะไรจึงไม่ทําไม่ใช่ไปทําความเข้าใจแค่ตัวสมูทยะสัจจะอย่างเดียวตัวตัณหาอย่างเดียวต้องรู้ด้วยตัวสมูทัยอันนี้โรงงานอันนี้มันผลิตอะไรด้วยเออมันผลิตอะไรด้วยมันเข้าใจใช่ไหมตัวตัณหาเนี่ยเอตัวตัณหาเนี่ยมันผลิตอะไร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 สัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นเอิร์สุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยใช่ไหมไอ้ทุกข์ขัตริย์เราเนี่ยเป็นไปแล้วในสังสารวัฏเนี่ยในอดีตก็มาแล้วปัจจุบันก็เป็นไปอยู่อนาคตก็จะเป็นไปเนี่ยตันหานั้นนี่ไงนิทานโถนิทานโถนี่เป็นอัตของตันหาเป็นชื่อของตันหาแต่ต้องอธิบายให้แทงตลอดถึงทุกข ไม่ใช่อยู่แค่ตัณหาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันก็จะไม่สลดสังเวชใจต่อตัณหาไม่น้อมที่อยากจะละตัณหาถ้าตอนนี้อยากละตัณหาไหมมันก็ปรารถนาในการที่อยากอยากถ่ายถอนตัณหาเข้าใจใช่ไหยนี่เป็นอย่างนี้มีมันย้อนไปย้อนมาก็เลยคนก็จะมองดูอิสับสนหรือเปล่า ใช่่ลต่ทุกฮะพร้นใกใช่ใช่อาจคืออย่างนี้อย่างที่พูดมาเนี่ย น, นั้นเข้าประเด็นก็คือว่าในอดีต ตัณหาเนี่ยตัณหาที่ผลิตทุก์เนี่ยก็เยอะเยอะอยู่แล้วแล้วปัจจุบันตัณหาก็ยังเกิดอีกที่จะสร้างทุกในอนาคตอีกนับไม่ถ้วนอีกเยอะอย่างเงี้ยนะเขาถึงบอกว่าคําว่านิทานะโถเนี่ยต้องอธิบายตลอดถึงทุกขสัตว์มเยชัดเย้ชั ด, ด, ชดว่ามากมายจริงๆนะในอดีตนี่ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติสัตว์ไม่ต้องทํากรรมอะไรเลยเนี่ย รอรับผลอย่างเดียวก็ไม่พอไม่ไหวแล้วเอาเนี่ยนะนี่ยังไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยสัตว์ไม่เคยหยุดเดินในการทํากรรมที่บวกกับตัณหาเลยลอยงคิดดูแล้วทํากรรมที่อยู่ในขอบข่ายของตัณหาอีกเยอะหมดทั้งๆที่ทํากรรมได้กุศลแจิตแต่ว่าเป็นไปกับตัณหาเป็นอุปนิสัยประจัยอยู่เนี่ยน่ากลัวแท้ต้งบอกไงนิทานะโถเนี่ยเขาเป็นเหตุของทุกเป็นเหตุของทุก นั่นลต้องเป็นต้องมีนิสรณาวิเวกวเป็นอัจฉาสยะ ใ, ใจต้องน้อมเพื่อจะปรินิพพานโดยส่วนเดียวเท่านั้น<ม>ถ้าไม่น้อมออกจากภพนะยุ่งยุ่งมากวิธีคิดออกไม่ได้เลยคือโดยโดยอัธยาสัยที่ยอมสวรปารบบุญแต่ละครั้งบุญเล็กบุญน้อยเนี่ยต้องน้อมออก น้อมสลัดออกไม่ใช่น้อมไม่ใช่ไม่อีกไม่ใช่ไม่วิจัยต้องวิจัยในการที่จะเดินออกจกพบโดยส่วนเดีย ว, ว, ะะ ก, วก็ใช่ไงไม่เคยคิดออกเลยว่างั้นเถอะไม่กล้าแม้กระทั่งคิดจะว่าจะคิดออกเลยไม่กล้าคิดเลยกลัวได้ซ้ำไปแต่คิดแล้วกลัวมันจะหมดกลัวจะไม่ได้เกิดอะไรก็อีกเยอะแยะไปเสด แค่กล้าคิดยังไม่ค่อยกล้าแล้วไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องอื่นแล้วงั้นในกรณีอย่างนี้ก็จะได้ทําความเข้าใจให้ให้ชัดอันนี้จริงๆอะมาเคยอธิบายมาหลายตัวหลายครั้งเนอะก็ถึงรู้ว่าอ๋อเราถ้าพูดปะมูะ่ปปไปเนี่ยไม่ได้จริงๆเลยโอ้ไม่ได้มันได้แต่คนฟังไม่ได้เลยไม่ได้กันไหม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 ต้องสมาทานบ่อยๆด้วยถึงมันลุกไม่ขึ้นก็ต้องสมาทานพระให่ใช่ไหมนะเข้าวอยแข็งแรงเองแต่กันไม่ตือนมันเป็นอย่างนั้นแต่งั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกมาเลยอย่งนั้นคือกล้าคิดต้องกล้าคิดต้องกล้าคิดโอ้ถ้าไมกล้าคิดเลยเนี่ยบางคนเนอะโอ้ยคิดได้ก็ทําไม่ได้คิดไปทําไมจบเลยนะ จบเลยไงความคิดตั้งนี้นก็เพราะเป็นแบบนี้นี่แหละก็เหมาะแก่การอยู่ในวัตฏะแท้ใช่ไหมไม่ต้องกล้าที่จะคิดกล้าคิดออกจากวัตะที่พอคิดไปเบ็ดเสร็จนั้นน่ะเข้าเนเข้าเนียแข็ขงแรงเข้าใจนะต่อไปคิดแข็งแรงความคิดเนี่ยมีกําลังมากยมสวานไปตั้งมนสิการดูมีกําลังมาก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 จะเป็นว่าสนอะไเงี้ยแล้วแล้วเป็นเงนั้นจริงแ้ไปเดินดูเหอะกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยนะจะเดินยากเดินใหม่ๆ่ <laughs> เดินยากเดินใหม่ๆม่ <laughs> <laughs> พอเดินไป <laughs> ไปด้สักหน่อยก็ข้าเด็กเล็กๆเนี่ยมีมีมีเด็กเล็กๆที่ไม่รู้ไอ้ยัอยงอายุไม่กี่ขวบหรอกเป็นเด็กเกเรอามาก็บอกวอ่าลองดูที ชาเข้ามาอยู่ด้วยฝึกทุกวันฝึกให้เขาคิดฝึกนี่ไปเสร็จเนี่ยเอาที่กระต้นทุกวันไปบินนบาตเอาเขาไปด้วยอยู่อยู่ด้วยกระตุ้นทุกวันพอไปไปมาเขาปรารถนาเขาอยากเป็นพุทธเจ้าแล้วนี่ยดูดูที่เนี่ยเนี่ยฝึกได้ามาลองดูแลแปดขวบดาฟองเลยแ่แล้วเป็นคนเด็กเกม๊มากกับ น, น, น้องลุงกับลังแกเขาอะไรเขาเนี่ย เห็นไหมโดยการเนี่ยก็ใหม่ๆก็ให้ทิฏฐิได้เลยใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆปรับให้เป็นสมาธิใครว่าเขาทำได้ไหมเราทำไม่ได้ใหม่ๆก็ไปไงเงี้ยแล้วก็ก็จะมีแรงฮึดเขาลักษณะเงี้ยก็เห็นไมกระตุน้นคิดกระตุน้นคิดไปเลยตรงนี้ก็คือบางทีบางทีถ้าเราเคย อยู่กับเด็กอยู่กับอะไรต่างแล้วก็จะสังเกตโอ้เขาเป็นอย่างนี้เป็นอันนี้ต้องต้องต้องสังเกตเฝึกได้จริงๆฝึกได้อันนี้เราก็เริ่มรู้อ๋อจิตปรับวิธีคิดได้จริงๆนั้นทีทีกรณีแห่งคนท่านที่ได้บรรลุทั้งหลายเนี่ยท่านปรับความคิดใหม่ไม่คิดเหมือนเดิมเพราะาคิดเหมือนเดิมมันอยู่ในวตตามันก็คิดออกก็คือเนี่ยฝึกไปตามคําสอนอัดที่สามนะอัตของสมุทัยสจัสังโยคะ สังยักษคสั ง, ยงโยคโถแปลว่าอะไรอ่ประกอบประกอบอะไรไว้ประกอบสัตว์ไว้ในไหนประกอบประกอบสัตว์ไว้ให้ติดอยู่ในภพเนาะตรงนี้ก็คือว่าต้องอธิบายตลอดถึงนิโรธสัจจะต้องอธิบายถึงนิโรธนะใจความก็ว่าตัวตัณหาเนี่ยนะ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 พระพุทธองคประสงค์ให้เห็นอัฏฐะคือสังโยคโถเนี่ยเป็นอัศมุทยาสั จ, จประการที่สามแล้วบอกว่ามีอัฐอธิบายตลอดถึงนิโรธาสั จ, จอธิบายหเห็นสัตว์เหล่านั้นนะนะที่ระคนมืดมนไปเลยราคะโทสามโมหะเนี่ยเพราะอัธยาศัยของสัตว์นั้นน่ะตั้นหาเนี่ยนะที่มีกรรมเป็นสหายนั่แหละเขาประกอบสัตว์ไว้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 มืดมนอ น, นาการด้วยราคาโทสะโมหะโดยเฉพาะโมหะก็ปิดกระแสขันธาตุอายตนาของสัตว์ทั้งหลายอยู่ตัวตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุนี่เป็นปัจจัยการประกอบสัตว์เข้าไว้ก็ให้เรามาเห็นโทษใชหเห็นโทษของตัณหานี่แหละปัจจัยที่ทําให้สัตว์โลกนั้นออกจากวะตฏะไม่ได้ก็เพราะตัณหานี่แหละประกอบเข้าไว้พอเริ่มม่เราต้องการอยากจะดับตัณหาก็เลยบอกไอ้ตัณหาเกิด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 ใช่ไหมท่านทิ้งท่านหาทนใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับท่านเนี่ยท่านเก็บเรียบร้อยหมดแหละเออไปสร้างบารมีร่วมกันกับท่านมีไหมท่านจะเก็บทิ้งวะท่านพาบาลนิพานเวทเสร็จนั่นแปลว่าท่านไม่ได้ทิ้งอัตยาสัยท่านไม่ทิ้งแต่อัธยาสัยท่านต้องตัดตัณหาท่านบอกตัณหาเกิดหน้าที่ใดใช่ไหมตั้งอยู่หน้าที่ไหนเถ้าจะดับท่านก็ดับหน้าที่ตรงนั้นก็แปลว่าท่านต้องวิจัยตรงนั้นน่ะ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 การที่จะประกอบสิขาสามไม่สะดวกเลยไม่สะดวกเลยแล้วก็ตั้นหามันก็ค อ, อยจะครอบงำอยู่กรณีที่เดินออกเนี่ยไม่ใช่ตัดแต่ไม่ต้องการเป็นทาตของตั้นหานั่นแหละใช่ทรับนั้นดีเขไม่กล้าสลัดออก เป็นชื่อของวัณณิพานเพราะเพราะเป็นตัวสลัดอุบาท t i เนี่ยเนี่ยยากนะเพราะว่าตัวที่ยึดก็คือตัวตัณหาตัวอุปาทานนั่นเองใช่ไหมมันยึดตัวนั้นฉะนั้นต้องมองมองอีกชั้นหนึ่งอย่าไปมองแบบหยาบหยาบเนี่ยนั่นแหละ ไอตัวนี้แหละตัวพนันาการตัวที่ล็อกเราไว้มัดเราไว้ผูกเราไว้นี่แหละตัวตัณหานั่นแหละฉะนั้นกรณีที่เราต้องฝึกในการเดินออกบ้างเดินออกบ้างนะะนั้นเป็นวิธีการซ้อมกําลัง <c oughs> เบื้องต้นเนี่ยซ้อมกําลังว่าเนี่ยที่เราเดินออกมาอย่างเงี้ยนี่ซ้อมไว้นะเนี่ยเป็นการซ้อมไว้ว่าเพราะไอความอะไรอวรนของเรามันแน่นมากใช่ไหม <c oughs> ก็เลยซ้อมดึงดูที่เอมาอย่างงี้มันเริ่มคิดถึงน้องอีก ซ้อมอยู่เนี่ยในเข้าในเข้าก็ตัดเด็ดขาดอีกก็เป็นไปลักษณะนั้นนั้นสังโยคโธ ก, ก็คือว่าตัวที่ประกอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในสังสารวัตเนี่ยนะคํานี้ก็เป็นคําที่ถ้าบางท่าน อ, อ, อ่านที่นี้เข้าใจแต่เรายกตัวอย่างประกอบอนี้ก็ชัดแล้วอย่างงี้ชัดไหม ย, ยังไม่ก็โอเคนะประการต่อมาคือ คำรบที่สี่ใช่ไหมสมุทยัยสจัปริโพทะปริโพทัโถเป็นเครื่องกังวลเนาะก็ต้องอธิบายให้ตลอดถึงมรรคสัตริย์บอกว่าเห็นชัดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นธุระกังวลอยู่ด้วยกิเลสกรรมด้วยวัตถุกรรมบอกว่ากังวลเนี่ยเครื่องกังวลต่างๆอะไรอะอารยาอะไรอะไรโดยเนี้ยเป็นชื่อของตัวตัณหา สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอะไรมากอะไรมากเป็นผู้มีความอะไรเนีเป็นผู้มีความยินดียินดีในที่นั้นก็คืออรารยะอะไร น, นั่นเองอะไรก็คือเป็นผู้มีทุระกังวลอยู่ด้วยกิเลสการมวัฏฏกรรมไม่สามารถจะเปื้องทุระเครื่องกังวลออกได้เพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมรรคสัตว์ก็ตรงเนี้ยจะเห็นชัด สังโยคานี้ประกอบปริโพธานี่เป็นเครื่องกังวลเป็นธุระกังวลด้วยกิเลสกามใช่ไหมไอ้กิเลสกามเนี่ยไปยึดถือตัวอะไรวัตถุกรรมใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุกรรมพวกตัณหาคือโลภานี่นะความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยนะทั้งหลายเหล่าเนี้ยอันนี้ตัวตัวกิเลสกามหรือราคาโทรศัมัวหามานะอะไรไปเถอะกิเลสเหล่านี้เป็นกิเลสกาม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 ในการเข้าไปวิจัยยังไงนะเนี่ยการประกอบในมรรคสัตตนี่แหละการเดินศิกษาสามทำสัมมาทิฏฐิให้ชัดใช่ไหมพอเข้าใจสัมมาทิฏฐิเข้าใจสมามาวายมะเข้าใจสมาสตินี่องค์สามต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วก็เข้าใจที่ตรงกันข้าวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิมิจฉาวายมะมิจฉาสติเนี่ยทีนี้พอเข้าใจมีเบ็ดเสร็จและชัดเจนก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหม ตัวสมาธิถี่นี่แหละจะทลายเครื่องกังวลก็คือจะไปวิจัยตัววัตถุกรรมแล้วก็น้อมน้อมออกจากกิเลสกรรมได้แล้วแกรู้ว่าตัวกิเลสกรรมเนี่ยมันไปเกิดณที่ไหนอาไปยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็วิจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาทีใช่ไหมไปยินดีในรูปเสียงกินรสผลิตภัณฑ์และทำอารมณ์เราก็วิจัยรูปเสียงกินรสผลิภัพฑ์และทำอารมณคือไปไปทำความเข้า กำหนดรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นอพอพอปัญญาทํากิจในการกําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้เหล่านี้ใช่ไหมตัณหาที่เคย ย, ยินดีเพลิดเพลินเริ่มคลายตัวไหมเริ่มคลายตัวแล้วไม่ดีจริงอย่างที่ว่าแล้วเพราะปัญญาทํากิจในการวิจัยแล้วจริงไหมยนศวรนอายศวันยินดีเพลิดเพลินอะไรในอาหารในอาหารเนี่ยโอ้บริโภคที่อะไรอร่อยทุกทีเนี่ยนะแต่ยนศวันวิจัยด้วยปัญญาณชอบ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 วิววววจัยจนทองแท้เบเสร็จในสุดจริงตันหาจะไปเพื่อเพลินนั่นแหละตันหาก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้พื้นที่ในการที่จะเพื่อเพลินความยินดีความเพื่อเพลินความยึดติด ก, ก็ก็ไม่สามารถจะเกิดได้เพราะปัญญาทําทํากินเรียบร้อยแล้วขยันใช้ปัญญาวิจัยหน่อยก็กแค่นั้นไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยวิจัยใช้ปัญญาใช่ไหม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 ก็ตรงนี้ก็คืออันแรกคืออะไรอายุหานาเนี่เป็นลักษณะของอะไรอายุหานะเป็นลักษณะของอะไรของตัณหาเลยของตัณหาเลยอายุหนะนี่เป็นลักษณะของตัณหาเลยนิทานโถเนี่ย อธิบายตัญหาแต่ให้แทงตลอดถึงอะไรเออทุกขศาสตร์ปริโพทัตโถเนี่ยเออไม่ใช่สังโยคโถนี euh, ่เป in ็นไรประกอบสัตว th ์ไว้ในสังสารวัตรก็ให้ตลอดแทงตลอดถึงอะไรถึงนิโรธาสัจจะเนาะส่วนปริโพท่านี่แทงตลอดถึงอะไรเออเนั่นแหละ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 ลิ้นกายใจตั้งที่ไหนที่ตาหัวจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีสองสับที่ท่านใช้คาว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วนชเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วท่านใช้อย่างนั้นเป็นกรณาคือเป็นเหตุแล้วก็ประกอบพร้อมด้วยปัจจัยที่เหลืออยู่เนะี่ยทุกขสมุทยาสัจจ์เนี่ยเป็นเหตุแห่งการอุบัติเกิดขึ้นของกองทุกเพื่อประกอบพร้อม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 พอมีปัญหาก็แก้มีปัญหาก็แก้กังวลอยู่ตรงนั้นนะ่ะถ้าหากว่ามีมรรคสัจจะใหแก้ปัญหาได้จะแกจะออกเครื่องกังวลได้เตอนนี้นี่มรรคสัิย์ก็ต้องประกอบแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มต่อเรือได้แล้วล้อมต่อเรือได้แล้วเท่าไหรถ้าไม่ต่อเรือแล้วจะเดินทางลงทะเลหลวงได้ไงต่ออย่างตอนเนี้ยมีกี่ชิ้นน่ะ <c oughs> <c oughs> มีกีชิ้นน่ะ อาสมาทิฏฐิอ่ะใช่ไหมประกอบนี่ยังสมาทังกระป๋าสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวาสมาวิมารสมาสติสม า, า, มาสมาที่ท่องได้เลยนะ <c oughs> แต่ต้องได้แต่มาใช้ไงเนี่ยตรงนี้ไหมแล้วลองซ้อมๆหายบางอย่างเ <c oughs> หมือจะข้ามทะเลหลวงเรือแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วโอ้ท้อเลยเนี่ย นันเลแล้วือกระเพื่อที่ต่อไม่ค่อยติดอีกที่สมาทิฏี่มาก็กระพ้องกระแพ่งนี้ไม่ได้แล้วทีนี้นิพนิโรธาสัจะนะเหลือเวลาอีกไม่ไม่นานนิโรธสัจจะก็คือนิสทรณ์โถนิสทารณะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสระดออกนะหรือตนออกสลัดออกได้อัปรีโพทัตโถนี่แปลว่าอะไร หาเครื่องกังวลไม่ได้นะแล้วก็อะไรนะอสังกัตัโถโนะเนะีเ่ยไม่มีปัจจัยประชุมบวงแต่งแล้วก็อามะตัดโ ถ, ดโถเป็นอมตะไหมเป็นธรรมที่ไม่ริตายนะเป็นธรรมไม่ไม่ตายอันแรกนิสรณัฐถานิตระนัฐโถเนี่ยลักษณะของนิโรธสัจจะแท้ๆเลยเนี่ยก็ไปสืบดูนิโรธสัจจะ ตัวนิโรธาสัจจ์เนี่ยทุกขันนิโรธเนี่ยคําว่าทุกขันิโรธเนี่ยโอ้โหท่าดูในพุทธพจน์ ท, ที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องของทุกขานิโรธเขาไว้เนี่ยเป็นเรื่องเยอะเลยเนี่ยนะทุกขันนิโรธาอริยสัจเนี่ยความดับสามารถแห่งสํารอกไม่เหลือความสลากความสลากคืนความไม่ความปล่อยวางนี่นะความไม่มีอะไรในตัณหา คือสภาวะของนิโรธาสัจจ์เนี่ยท่านกล่าวไว้ค่อนข้างเยอะท่านในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยนะกล่าวไว้มากเลยตัวนิโรธาสัจจ์เนี่ยนะในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยไล่ไปตามลําดับเลยทุกสมูทัยแล้วก็มานิโรดเนี่ยนิโรดในองค์ธรรมได้แก่อะไรนิโรดองค์ธรรมได้แก่พระนิพพานปรมัตนะนะเออในดีกาท่านขยาย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 ใช่กันเยอะบางทีก็เป็นนิโรธนะถ้าไปพูดถึงในเรื่องของอะไรเนี่ยเออในสัพที่ท่านพูดถึงท่านขยายในอัตฉริยก่อนเนาะอัตฉริยท่านขยายขยายนิโรธาสัจจะทุกขานิโรธเป็นฉนใช่ไหมถ้าดูในพุทธพจน์คําสอนของพระุทธเจ้าก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขานิโรธทาเป็นเหตุดับสนิทของกองทุกนิแลเป็นความจริงของบระิยาเจ้า ซึ่งเป็นวิราคาเป็นเหตุดับสนิทซึ่งตัณหานั่นแลโดยไม่มีเหลือเป็นเหตุสละสระคืนเป็นเหตุหลุดพ้นเป็นเหตุไม่มีความอะไรยินดีเป็นต้นตรงเนี้ยท่านก็อธิบายบอกว่าดูก่อนภิสูจทั้งหลายทุกขณิโรธอริยสัตเป็นชไหนทําเป็นเหตุดับสนิทของทุกแลเป็นความจริงของพริยาเจ้าเป็นเหตุสดับโดยการสํารอกตัณหาโดยไม่เหลือเป็นเหตุสละสระคืนเป็นเหตุหลุดพ้นเป็นเหตุที่ไม่มีความอะไรเป็นต้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตั้หาแน่นแลเมื่อจะละสามารถละได้ที่ไหนจะดับก็ดับณที่ไหนก็ไล่ไปตามลําดับคือตาเป็นต้นเหล่าเนี้นะอะไรเป็นมีสภาพเป็นที่รักวินท้าน้ายินดีก็ตามลําดับนั่นแหละทีนี้ถ้ามาขยายทุกๆบทก็คือว่ามะอเสสวิราคานิโรโทจาโคปฏินินสโคมูติอนารโยเป็นต้นเหล่านี้เป็นศัพท์ของพระนิพพานนั้นแหละใช่ไหมนิพพาน ทำตัณหาไม่เหลือคลายให้ใคลายให้ดับนิพพานนั้นจัดเรียกว่าเป็นเหตุดับสนิทโดยการสำรอกตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือโดยไม่มีเหลือพ่อสยนิพพานตัณหาจึงถูกสละแล้วก็ละแล้วก็หลุดพ้นไม่ติดพันจาคะจาโคแปลว่าเหตุละตัณหาปฏินิสโคก็แปลว่าเหตุสละคืนมุตติก็คือหลุดพ้นอนารโยก็เป็นเหตุให้หมดความอาลัยอนารโยเนี่ย ที่จริงนิพานนะั้นมีอย่างเดียวเนะยมีอย่างเดียวคือสันติ ล, ลักขณะเลสนอกสงบจากกิเลสและลวบน้ำกันนะแต่ชื่อของพระนิพานมีมากมีมากนะอเสสวิราคเนโรโทรจาโคนะี่มีเยอะขนาดไหนะเยอะเลยมีหลายสูตรที่กล่าวไว้จาโคนีบางแห่งท่านใช้คำว่าอคติก็ได้นะอคติอะ่ะเออไม่มีคติห้านั่นเอง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 ดับสนิทแห่งสังฆสังสารวัตตรงนี้ท่านใช้คำว่าอัดของนิโรธาสัจจะอัดของนิโรธาสัจจะในความหมายในในคำสอนที่ท่านทรงสแสดงเนี่ยนะท่านสแสดงเกี่ยวในเรื่องของคำว่านิโรธานิโรธาเนี่ยต่อจากสมุทัยสัจจะนี่เนี่ยก็หมายความบอกว่า ในอัดทั้งสี่ประการที่ใช้คําว่านิสธรรมัทโถออกใช่ไหมอปริโพทัสก็คือไม่ไม่เป็นเครื่องกังวลและอสังฆตัก็คือว่าไม่หาปัจจัยประชุมปรุงแต่งไม่ได้อมตตโถก็คือเป็นอมตะธรรมนิสธรรมนัทเป็นลักษณะของนิโรธัส จ, จัดแท้ที่พูดมาตามลําดับจะเห็นใจความว่าบุคคลใดเนี่ยได้สําเร็จพระนิพพานแล้วเนี่ยบุคคลบุคคลนั้นก็จะยกตนออกจากสังสารวัฏ หรือพ้จากสังสารวัตไม่ต้องมาเวียนไหวาตายเกิดหรือไม่ต้องมาเวียนสืบต่อในพบต่อพบเป็นต้นเนี่ยเนี้ยอย่างนั้นก็เรียกว่าบุคคลที่สําเร็จพระนิพพานแล้วยกตนออกจากสังสารวัตรออกจากวัตฏสงสารได้พระองค์เนี่ยก็เลยอธิบายขยายอัฏฐะเป็นอัฏฐแรกที่เรียกว่านิสสรณัตถาหรือนิสรนารณโธเนี่ยโดยการที่บอกว่าออกออกจากสังสารวัตรเป็นลักษณะของนิโรธแท้ ท่านตาหากเราจะยกตนออกจากสังสารวัตรได้ตอนนี้เรายกไม่ได้เนาะคือไม่สามารถที่จะยกออกจากสังสารวัตรเพราะว่าเรามีขันธาตุอายตนะที่มันหมุนไปในสังสารวัตรอยู่ตลอดเวลาทีนี้นิสาราะาเนี่ยก็คือการออกนิสาระจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอาสาท้าอาธีนว่านิสารณะเนี่ยนิสารานะนั้นมีสองส่วนนิสาระที่เป็นเหตุกับ น, นิสาระที่เป็นผลแต่ในที่นี้อธิบายในฐานะ น, นิสาระที่เป็นผลใช่ไหม นิสฐานะที่เป็นเหตุหมายถึงมรรคสัตย์นิสฐณนะที่เป็นผลหมายถึงนิโรธสัตวจนี่เราเอาตัวนิโรธาสัจมาที่บายทําความเข้าใจตัวนิโรธาสัจจะหมายถึงตัวยกออกจากสังสารวัฏเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมรรคสัตย์ธรรมะยังเราแสวงหามรรคสัตย์มรรคสัตย์แสวงหาพระนิพพานอยู่มรรคสัตย์แสวงหาพระนิพพานอันนี้ตัวพูดถึงตัวนิโรธสัจะเลยเป็นตัวพระนิพพานเลย เป็นตัวดับสังสารวัตเลยใช่ไหมเถ้าเป็นตัวนิสสระที่เป็นผลเลยที่ทําความเข้าใจตรงเนี้ยก็คือบุคคลใดเนี่ยได้บรรลุพระนิพพานสําเร็จพระนิพพานแล้วแปลว่าสําเร็จพระนิพพานอย่างสูงสุดแล้วบุคคลนั้นก็จะยกตนออกจากสังสารวัตรไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือเวียนเอากำเนิดสืบต่อไปในภพบเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าเดชสาเร็จพระนิพพานแล้วเนี่ยก็จะยกตนออกจากสังสารวัตรได้อย่างแน่แท้ พระองค์ก็ต้องการให้เข้าใจอัฏฐานี้อัฏฐานที่นิสสระว่าเป็นอัฏฐาของพระนิพพานเป็นลักษณะของพระนิพพานเป็นลักษณะของนิโรธาสัจจ์จริงๆ <c Ashley> คือให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เรายังเปลื้องตนออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะยังไม่เลยซิไม่เงยศีรษะออกจากสังสารวัฏได้โดยสับเป็นอย่างนั้นเนเนในความหมายเนี่ยตรงเนี้ยเป้าหมายก็คือต้องการที่จะออกออกจากสังสารวัฏยกตนออกให้ได้ใช่ไหม ตนในที่นั้นคือขันเนี่ยนะรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยสรุปคือตรงเนี้ยต้องการออกจากขันนั่นเองออกจากาธาตุออกจากอยายตนะเพราะการหมุนไปของฐานธาตุอายตนะเป็นชื่อของวัฏตะเป็นชื่อของสังสารสังสารวัฏใช่ไหมเป็นชื่อของสังสารวัฏนี่เราก็ต้องเห็นโทษตรงนี้เห็นโทษของสังสารวัฏนี่ก็เห็นโทษของตัวทุกนั่นแหละแล้วก็รู้ด้วยสังสารวัฏมันเดินได้เพราะสมุทัย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 ตัวทุกขศัจจายเดินอยู่สมุทัยศัจจายยังทํางานอยู่ยังให้ผลอยู่ไอโรงงานก็ยังผลิตชิ้นส่วนอยู่ใช่ไหมมันเหมือนรถนะนอะจริงไหโยมทุกวันรถมันวิ่งอยู่รถคันนี้พังมันก็ผลิตคันใหม่ต่อมาเรื่อยผลิตมาเรื่อยอย่างนี้นะมันก็วิ่งอยู่ได้อยู่นะฉะนั้นถ้าสองอย่างมันไม่มีใช่ไหยถ้าตัวรถไม่มีโรงงานพังนั่นแหละคือนิโรธคือนิโรธ ตอนเนี้ยพังนี่นะไม่พังเลยเนี่ยจะสร้างโรงงานเรื่อยเลยอะสร้างเรื่อยเลยอตอนนี้วันนี้สร้างไปกี่โรงงานแล้วมฮะฮะเอาเอาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาถึงตอนนี้ยถามว่าตั้นหาเกิดบ้างไหมนี่จะเรียนอะไรเรียนสัตว์นี่นะ ต้องถามอย่างเงี้ยแล้วถามกลับใหมาตอนเดียวเองอ๋อมีคิดคิดตอนนั้นตอนเดียวเองเลอแล้วก็หายลืมมาเลยใช่ไหมอ๋อย่าง โอ้ตตั้งถึงขนาด น, นั้นก็ไม่ไม่ธรรมดาแล้วนะอ๋อย่างนี้เลยพอจะคิดไหม ถ้าถ้าสามารถแต่สลัดได้เนี่ยคือคือคืออย่างนี้กรณีทําไมท่านนึงวางนิสสันนัทโถเนี่ยไว้เป็นบัถมอัดของทุกขสัตว์ เอออดของนิโรธทุกขานิโรธทุกของทุกขานิโรธตัวสภาวะที่ดับทุกนี่คืออยอมสุวรรณไปทํากิจอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการงานทุกอย่างหรือเกอี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกใจเห็นไหมว่าโออวิธีคิดของเขาเนี่ยคิดถึงคิดถึงทุกมีไหม แต่ว่าย่ายกตัวอย่างเช่นการเกิดนี่เป็นทุกข์ดับความเกิดได้เป็นนิโรธให้เขาคิดอย่างเงี้ยก็น้อมการดับใช่ไหมใช่ไหมบอกอืหเนี่ยความโศกนี่เป็นทุกข์ดับโศกได้นี่เป็นนิโรธเนี่ยคิดเงี้ยน้อมจิตมันออกเงี้ยโยมสวุวรรณก็ น, น้อมอย่างนี้เออความแก่นี่เป็นทุกข์ดับสภาวะที่ดับความแก่เป็นนิพพานก็น้อมออกแต่ละครั้งเลยคือเกี่ยวข้องที่เราเห็นแต่ละครั้งเนี่ย เราเห็นคนอื่นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเองเนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกี่ยวกับชาติทิฐทุกชราทุกนะพยาทิฐทุกมราณาทุกเกี่ยวกับโสกกาปริเทวทุกขโทรมนระจลรยุปายาตสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสิบสองกองเนี่ยมันเป็นตัวทุกดับสิ่งเหล่านี้ได้สภาวะที่ดับสิ่งเหล่านี้เป็นนิพพานราคาโทสารโมหะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเนะ่อันนี้เป็นตัวสมุทัยดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นพระนิพพานอย่างเงี้ย <S <S เรื่องเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆตึกไข่ควรอย่างเง นั่นแหละคือคือเห็นทุกข์เมื่อไราก็ น, น้อมหานิพพา น, นขขาาก็คือตัวทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์วิปรีณามะทุกนั่นแหละตัวทุกข์นั่นแหละที่พูดในนี้คืออริยสัจอ๋อสังขาร น, นั่นแหละนั่นแหละ นะถ้าถ้ากรณีคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมวิจัยอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยใช่บางท่านนถึงขนาดสาธยายเป็นสูตรเลยสาธยายเป็นสูตรเลยสาธยายไปเรื่อยมันเกี่ยวข้องใช่ไหมสติก็ทำกิจ บ, บ่อยๆหน่อยสัมมาทิฏฐิก็วิจัยแล้วเพียรพยายามวิจัย บ, บ่อยๆก็น้อมนิพพานบ่อย เห็นคนเกิดปุ๊บมดับชาติได้เป็นพระนิพพานใช่ไหมฮะง่ายแต่คนทำได้สะดุ้งสะเทือนหมดอยากนิสนะโถแรงมากจิตคิดออกแรงมากใช่อนิสระนัตคือเป็นอัธยาศัยของวาวพีิสัตว์ท่านท่านคิดแบบนี้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 เพราะเดี๋ยวต่อไปต้องไปถึงอัดอยู่เลยนี่ใช่ทีนี้ลักษณะอย่างนี้ท่านถึงบอกว่านั่นแหละนิสระโถอปริโพทัตโถเนี่ยต้องอธิบายนิโรธาสัจจะให้ตลอดถึงสมุทัยสัจจะเพราะปริโพธะเนี่เป็นชื่อของสมุทัยอปริโพธาเนี่ยใช่ไหม แปลว่าไม่มีเครื่องกังวลจะเห็นได้ว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยต้องมีธุระกังวลด้วยกิเลสกรรมและวัตถุกามเนะี่ยเพราะอะไรเพราะในสันดานของสัตว์เหล่านั้นประกอบไปด้วยตันหาสามคือการมวตันหาเพราะวาตันหาวิเพราะวาตันหาที่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมอารมณ์อยู่ใช่ไหมถ้าได้สําเร็จพระนิพพานตัดกระแสของตันหาเสียได้ตัดกระแสตันหา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 ใช่ไหมอันนี้เห็นหน่อยนะอันนี้เราก็ให้เข้าใจบอกว่าโอนิสรณะนนี่คือสภาวะของพระนิพพานอัดของเขาส่วนคำว่าอปริโพธานเนี่ยก็คือตัณหาใช่ไหมไอตัวตัณหาคือความยินดีเพลิดเพลินให้สังเกตด้วยนะท่านแสดงนิโรธเนี่ยในในสัจจะในสัจจะบพะก็ดีหรือในสัจจะวิพังเป็นต้นก็ดีเนี่นะท่านจะถามว่ามช่ไม ตัณหา ky, ถ้าจะเกิดก่อนถ้าแสดงส ม, มุทัยอ่ะตัณหาจะเกิดเกิดที่ไหนใช่ไหมตัณหายินดีพอใจในไหนอ่ะยินดีตาใช่ไหมตั้งอยู่ที่ตาใช่ไหมยินดีในหูตั้งอยู่ที่หูยินดีในจมูกตั้งอยู่ที่จมูกยินดีในลิ้นตั้งอยู่ที่ลิ้นยินดีที่กายตั้งอยู่ที่กายยินดีที่ใจก็ตั้งอยู่ที่ใจตัณหายะถ้าจะนิโรธสจากก็คือดับเห็นไหมสภาพที่ตัณหารูปปัตนหาดับ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 นิพพานก็คือสภาวะที่ดับดับสมุทัยสัยจจะเข้าใจอย่างนี้นะต่อไปก็คืออสังขตโถที่ต้องอธิบายให้แทงตลอดถึงมารกษัตริย์อสังขตโถเนี่ยนะสังขตโถแปลว่าอะไรเดียวไหมถ้าอาสังขตโถก็คือการเกิดตัวฐารไม่ปรุงแต่งอันนี้ต้องอธิบายให้ตลอดถึงมารกษัตริตออย์เนาะจะเห็นได้ว่าโยคาวจรผู้มีปัญญาเนะี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหล่านี้ เห็นว่าในช่างเรือนคือตันหาเนี่ยที่ตกแต่งเครื่องเรือนเนี่ยคือรู ป, ปากายของสัตว์พระนา ม, มาทําทั้งหลา ย, ยให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดเนี่นะได้ทุกเวียนทนอยู่ในวิบากอยู่ในเรือนตนเองเนี่ยใช่ไหมนี่มีคนละเรือนคนลหลังละหลังกั น, นใช่ไหมนี่มีเรือนเลยเบ็ดเสร็จก็ตอกตะปูคนละเก้าดอกบ้านหลังเนี่ยตอกเข้าไปตาเข้า ใ, ใช่ไหม ตอกหคือสองเลยนะจะโบกอีกสองนะปากอีกหนึ่งตวันหนักะวั น, น, ว น, นเบาใช่ไหมตอกเข้าไปเลยลมก็พัดตอนนี้บ้านเริ่มจะพังแล้วเนื้อเขาได้หลังใหม่อีกแล้วก็ไปตอกใหม่อีกตอกตุบๆๆเลยนะไม่ต้องเสียใจไอ้บ้านเ น, น, น, นี่ยได้ได้แน่นอนฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยในช่างเรือนเก่าคือตัณหาก็ตกแต่งเครื่องเรือนคือรูปากายหรือนามมารำต่างๆเหล่านี้ให้กับสัตว์ สัตว์ทั้งปวงก็เวียนทุกเวียนทนวิบากอยู่ในเรือนตนเองอ่ะคิดจะอันจะคิดอนอุบายหลบหนีไปจากเรือนคือตันหาตกแต่งไวเนะี่ยอาศัยอะไรดีถึงจะออกได้ออกจากเรือนหลังนี้ได้หรือเรือนที่เราจะมีต่อไปเนะี่ยอาศัยมรรคสัตตนั่นแหละจะเป็นอุบายในการที่จะพ้นจากเรือนคือตันหาก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมารรคสัตย์จะภพทุโอมก็ประสงค์ให้เห็นใจความให้ตลอดถึงมรรคสัตย์ ก็เลยทรงแสดงอัดของคําว่าสังคติโถเป็นอัดของนิโรธสัจจะในคำลบสาวนี่มองเห็นนะนะพอมองอันนี้ก็ไปขยายความไปอามาตะัดโถนีค่คื อ, คอต้องอธิบายให้ถึงทุกทุกขสัตต์อามาตะตโถแปลว่าอะไรอหมก็แปลว่าอะไรนี่อัดบอกว่าจะเห็นได้ว่านิโรธสัจจะนั้นนะเป็นอามาตะธรรมเป็นธรรมที่ระ ง, งับโรคเนาะ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 เราไม่สามารถที่จะระ ง, งับโรคเหล่านี้ได้แต่ถ้าได้ดื่มน้ำ อ, ำอำมฤตหรือว่าน้ำอำมตนะนคือพระนิพพานคนนีโรธและนะ้วโรคทั้ง12บอประการนี่มีชาติทุกข์เป็นต้นก็ระ ง, งับหายไปโดยแท้กองทุกข์ทั้งปวงก็จะสิ้นสูญไปเพราะการอาศัยพระนิพพานพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสใจความบอกว่าอมาตะโธให้แทงตลอดถึงทุกขอริยสัจจ์ นี่อัดเนี่ยอัดของนิโรธาสัจจะเป็นคําลบสี่นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้มีมองเห็นน่นะนั่นก็คือทุกเป็นคือโรคกองทุกทั้งหลายอ่ะถ้าเราต้องการระงับทกุกระงับโรคนะก็ต้องดื่มน้ำามาํำอมฤตขึ้นพระนิพพานนี่แหละขึ้นตอนนี้เรายังไม่ดื่มด่าพระนิพพานเลยยังไม่ได้เคี้ยวยังไไม่ได้เสพพระนิพพานเป็นอารมณ์เลย แล้วก็จะเข้าไปดื่มด่ำในพระนิพพานนะเข้านะเข้าก็จะเป็นอมตะเราก็จะพ้นจากความตายนี่เราก็ตายแล้วตายอีกก็คือเกิดแล้วเกิดอีกนั่นี่ยไปแก่ไปเจ็บไปตายต่างเนี้ยนี่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความระงับดับกองทุกข์ทั้งปวงให้สิน้นสูดได้แต่ถ้าอาศัยพระนิพพานเป็นไปกนิพพานแล้วก็จะดับสภาวะเหล่านี้เป็นต้นได้ประการต่อมาคือมรรคสัตต์ตัวมรรคสัต์ตนี่สําคัญเนาะ ก็คือนิน ญ, ญาณนิโถ ổ, ก็คือนําออกจากภพนิญญานิกะธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากภพเหววัดโถ ก, ก็คือนะก็คือเป็นเหตุนะนะเป็นเหตุนะตัวมารกษัจจานี่ถือว่าเป็นเหตุเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานไม่ใช่เป็นเหตุทําให้พระนิพพานเกดิดขึ้นหน่อต้องเข้าใจเนี่ยสัมปาปะกเหิแล้วก็นิสรณัาโถ ổ, มีอาจว่าเห็นนะนะ อะไรนะเอ น, นี่ทัศนาโถใช่ไหมอ่าทัศนาได้นี่ทัศนาก็ได้สำแดงออกคือเห็นนะนะั่นแหละอธิปไตยโถก็คือเป็นใหญ่เนาะนแรกอั น, น, นิญานิาณโถเนี่ยคือสั์ตรงเนี้ยในชั้นของดีกาท่านอาจจะมีมีสั์ที่ต่างกันนิดนึงนะไม่เป็นไรพระพระองค์ประสงค์จะเห็นใจความของมารคสัจจะแท้ จึงทรงสแสดงบุคคลที่เป็นสัตว์บุษปรารถนาที่จะข้ามมหาสมุทรก็คือวัตสงสารเนี่ยถ้าจะข้ามก็ต้องอาศัยมรคสัตว์ทีนี้มรคสัตว์ที่จะเป็นปัจจัยในการที่จะข้ามมหาสมุทรก็คือสังสารวัตรนั้นเน่ยมรคสัตว์นั้นเป็นสัมภารธรรมหรือสัมภารทองเ น, นีที่ล้ำเลิศแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็บอกว่าสัมภารทองอันนี้คือมรคสัตว์จานี้ที่ท่านดีกาจาร์ทั้งหลายท่านขยายกันไว้หลายเที่ยวหลายที่ ท่านบอกว่าไม่ไม่เอียงแล้วก็ไม่โครงแล้วก็ไม่จมด้วยแล้วก็ไม่แตกทําลายได้มกษัตริย์เนี่ยเป็นสัมภาที่มั่นคงแน่นหนาไม่ได้จราจนทนทานยิ่งนักก็คือไม่พังอ่ะถึงลมพายุจะพลัดกล้าสักปลานใดก็ไม่หวาดหวั่นไม่เสเถือนสะทานเนี่ยสัมภารลาใดเนี่ยจะปูนปานเทียบเท่ากับสัเภานี้ไม่ได้เทียบไม่ได้เลยสัมภาลําเนี่ย มักษัตริย์เนี่ยเป็นสัมเภาาที่ค่อนข้างมั่นคงที่สุดในบรรด า, า ม, มักทั้งหลายมักทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายประกอบกันแบบผีบผิด พ, ดพลาดนั้นน่ะมักเหล่านั้นน่ะสัมเพลาเหล่านั้นน่ะสัมเภลาเหล่านั้นไม่มั่นคงไม่สามารถที่จะเป็นสัมเภลาทองนี่นะวิ่งล่องลอยเพื่อจะข้ามโลกยียมหาสมุทรได้บ้างแต่ถ้าหากว่าสัมเภาาที่ทองหรือว่าสัมเภลาใหญ่ที่พระุธองค์ทรงทรงบอกเขาไว้ประกอบเขาไว้เนี่ยนะ ที่เปิดทางให้ไว้เนี่ยสัมภวเวษีสามารถที่จะข้ามทะเลหลวงแล้วก็ข้ามโลกีย์มหาสมุทรเป็นต้นได้ฉะนั้นการข้ามโลกียะมหาสมุทรได้นั้นเน่ยก็มีมรรคสัจจานี่แหละอย่างเดียวนั้นที่จะสามารถข้ามได้เขาเรียกว่ากล่าวคือปริเทวทุกขแล้วก็โทมานัสทุกแล้วก็อุปาญาตทุกสัตว์ทั้งหลายก็ร้องไห้ครับแค้นใจอะไรเอาวอนสืบซื่นกันเนี่ยนะจัดว่าเป็นน้ําในโลกีย์มหาสมุทร ประกอบประโลอกกอันใหญ่หลวงมื อ, อมากล่าวคือชาติชราพญาทิสเกลื่อนกล่นไปด้วยผีเสื้อน้ําและปาลาล้ายเป็นอันมากก็คือโลภะโทสะโมหะอันนั้นก็เรียกว่าผีเสื้อร้ายนั้นก็ปาลาร้ายทั้งหลายเหล่าเนี้เกี่ยวกันในเรื่องของโลภะโทสะและก็โมหะมัชยริยะธรรมโลกยมหาสษฎรเนี่ยก็บอกลึกซึ่งคภีรภาพมากสัำเพาอื่นนอกจากมรรคสัตว์แล้วไม่อาจที่จะข้ามได้คืนข้ามไปก็จะอันตรายแตกทําลายแล้วก็ ตามและลอกขึ้นแล้วก็จากสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายนะเสาและใบก็จะหักแล้วก็ไม่สามารถที่จะทนทานเป็นต้นได้ฝูงคนก็จะพิ่หน้าจิบหายเป็นภักษาอาหารของเต่าบ้างของปลาบ้างของสัตว์ร้ายเป็นต้นแล้วก็ทะเลหลวงหรือว่าลมที่กล้าทั้งหลายเนี่ยนะทะเลในโลกิยาเนี่ยก็จะดูดกินสังสารสัตว์เหล่านั้นนะให้จมลงในสังสารวัตรแต่มากษัตริย์ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้น ก็สามารถที่จะขนประชาชนให้ข้ามพ้นทะเลของโลกย่าได้พุทธองค์ก็เลยประสงค์แสดงอัดคำคาวิญญาณที่โถเนี่ยเป็นอัดแรกเลยวา่ามรรคสัจจะก็พละนาให้ดูว่างามขนาดไหนนะขึ้นไปแล้วปลอดภัยที่มันอยู่ที่ว่าใครจะประกอบได้ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเหรอเนี้ยสงปก็กคือสิกขาสามเนะี่ยตั้นอยู่ในร่องลอยของสิกขาสามแล้วปลอดภัยเคยบอกท่านแคทใช่ไหมบอกถ้าสิกขาสามเนะี่ยท่านเดินอยู่ท่านจะปลอดภัย ไปที่ไหนท่านไม่ต้กลัวหรอกถ้าท่านมีสิกขาสามแต่ถ้าโดดลงจากสิกขาสามปลอดภัยแน่นอนเออไม่ปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมไอตรงเนี้ยตอนนี้เราจะขึ้นลำเพลาทองลํานี้ให้ได้หนึ่งตอนนี้เข้าสู่ทางเส้นนี้ได้หรื อ, อยังเหรอใช่ไหมได้ยังไ ด, ได้แล้วเลย เทียบท่าหันกลับงั้นตรงนี้ท่านใช้คําว่านินญานิกะทำใช่ไหมนิญญานิกะเอปราถนาจะข้ามโลกเยียมหาสมุทรไหมปราถนาไม่ยมมนตสวรรค์โลกเยียมหาสมุทรเนี่ยเป็นถามว่าเรือธรรมดาข้ามไม่ได้ใช่ไหมเรือของนิคนนาตบุตรก็ไม่ได้ไม่ได้ มคคิริโคสาลชิตาเกตกำพลพวกนี้ไม่ไานก็สร้างเรือกันทั้งนั้นแหละบรรดาศาสดาเจ้ารัติทั้งหลายสร้างเรือเพื่อจะให้ข้ามมาสมุดทั้งนั้นเนี่ยนะจมจมหมดต้องที่พระเจ้ทาทำเนี่ยเนียที่เปิดไปบอกนี้ตอนนี้เราไมต้องประกอบเองนะพระเจ้าบอกวิธีประกอบแล้วต้องประกอบเองนะแต่ก่อนไม่มีใครมาบอกวิธีประกอบตอนนี้มีแล้ว แล้ววิธีประกอบตรงเนี้ยหลักการประกอบอริยมรรคเนี่ยหรือประกอบเรือเนี่ยหลักสูตรเนี้ยเริ่มจะจางหายไปแล้วแล้วเราจะหมดโอกาสประกอบกันอยู่แล้วตอนนี้รีบประกอบเสียชิ้นส่วนต่างๆเหล่ า, า น, นี้เพราะเราต้องการที่จะเป็นเรือสําเภาทองที่มั่นคงในการที่จะข้ามโลกยิ่งมหาสมุทรซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาพันธุ์เนี่ยนะนาชนิดเนี่ยแล้วก็ยังมีพวกพายุใหญ่เยอะแยะไปหมดเสร็จเลนะ แล้วจะผ่าทะเลเพิงแห่งทะเลทุกไปได้งไงนะมีชาติติดทุกข์เป็นต้นเหล่าเนี้ยนะมันต้องผ่าไปให้ได้ใช่ไหมแล้วในทะเลเพิงเหล่านี้ยังมีปลาล้ายสัตว์ล้าอยู่ราคาโทสามห ه ا กันเที่มันคอยกัดกินอีกเยอะแยะเบ็ยดเสด็จเนี่ยแต่ถ้าอยู่บนเรือแล้วปลอดภัยเอาทีราคาโทสามห ه กัดกินไม่ได้อถ้าเราประกอบยี่เรือเรือไม่แตกแน่นอนใช่ไหมแต่เพียงเราจะโดดลงไงเราจะตกจากเรือต้องไม่ให้ตก มองเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเห็นภาพเรือสมเพลลำนี้ไหมเห็นอริยมรรคเลยใช่ไหมเนี่ยในลักษณะเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถที่จะและเรือเหล่านี้พุทธเจ้าก็ประกอบแล้วก็ให้ให้พุทธบริษัทข้ามพ้นทะเลโลกได้พระองค์ก็ปราถนาใจความของเนญญานิกธรรมเป็นมรรคสัตว์ในการที่จะขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรนี่บอ บก็ก็ต้องไปลองสรุปดูก็อยากหนึ่งก็ก็ลองดู ท่านตรงนี้ก็คือก็คือต้องต้องไปกระชับเรื่องแล้วก็ต้องไปเตรียมเรื่องแล้อีกเดี๋ย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวเวลาใกลจะหมดเหวัตโธเนี่ยนะ อันนี้ก็คือให้แทงตลอดถึงสมุทร ย, ยัษฎจักทีนี้การที่จะข้ามทะเลโลกียามาหาสมุทรไปต้นอันบุคคลที่จะข้ามให้พ้นจากทะเลต่างๆนี่ยเนี่ยนะก็เพราะถามบอกว่าทำไมสัตว์จรึงข้ามไม่ได้ไใช่ไหมสัตว์ที่มีสันดานที่อากูลแล้วก็เต็มไปด้วยมูลแห่งเหตุคือตัณหานี่นะ ตัณหาเหล่านี้น่ะก็คมขี่ย่ำยีจิตสันดานของสัตว์ทั้งหลายนั้นเนี่ยอยู่เป็นนิตจการหาปัญญาที่จะพิจารณาเห็นโทษของตัณหาไม่ได้ตัณหามันขี่คออยู่เนาะมันขี่คออยู่มันก็ปกปิดโทษไอ้ตัวตัณหามีทำรรกิจในการปกปิดโทษในภพเนี่ยเราถูกตัณหานี่ปิดจนมืดมิ ด, ม ด, มดโมหะก็ถมทับเข้ามาอีกบเบ็ดเสร็จนะสัตว์นั้นก็ไม่มีจิตสันดานในการที่จะคิดเนาะ บุคคลจะข้ามไปให้พ้นจากทะเลโลกิยามหาสมุทรหรือทะเลหลวงเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้นั้นเพราะมีสันดานอากูลหมนหมองไปอยู่ด้วยมูลแห่งตันหาเนาะตันหาก็ข่มขี่ดังที่ได้กล่าวหละหาปัญญาที่จะพิจารณาเห็นโทษตันหาไม่ได้อุปาทานาขันก็เข้าอุดหนุนให้กำลังเดตตันหาอย่างคล้ายๆว่าตันหามีกาลังหนุนมากมีกองหนุนตลอดเวลามีอารมณ์หลากหลาย ตัวอุปาทานขันารก็เป็นเครื่องอุดหนุนมาเป็นระยะระยะต่างๆเนี่ยนะตัณหาก็มีกําลังกล้าปัญญาไม่สามารถจะหักกรานลงได้ไม่สามารถจะหกัาาะหกกรานตัณหานะไม่หาสําเภาคือมรรคสัจจะจึงไม่อาจข้ามทะเลโลกได้ถ้ามีองค์ของปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิในจิตสันดานนะพิจารณาเห็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปัตถวพยานอันตรายต่างๆก็คือว่าเอาทุกข์เนี่ยนะนะ เอาทุกสี่สทุกมาไล่เรียงก็ได้ทุกสิบสองกองมาไล่เรียงโดยย่ออย่างนี้นะถ้าขยายทุกสิบสกองนี่ยังไม่ชัดเพอบูปาทานขันห้านี่แหละแล้วไปขยายเป็นทุกขี่สิบองกองนี่นะเป็นทุกขโตเนี่ยอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตเนี่นะคันตาโตเป็นต้นเนี่ยไล่ไปตามลําดับอย่างนี้นะน่ะเข้าน่ะเข้าปัญญาเนั่ยแหละจะไปทํากิจก็จะเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกภยัยอุปเทวะอันตรายต่างๆ ในสุดเห็นโทษของตัณหาอุตสาหาปฏิบัติตามทางมรรคสัจหาสําเภาคือมรรคสัจจะได้แล้วก็จะรื้อขนข้ามโอคะไปได้ได้ก็จะมาข้ามโลกย่ามหาสมุทรได้มูลเหตุคือตัณหาเนี่ยนะจะข่มขี่ย่ำยีไม่ได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคสัจจะฉะนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเฮมวัตโถเนี่ยนะต้องอธิบาย มรรคสัตว์ให้แทงตลอดไปถึงสมุทัยสัจจะให้แทงตลอดถึงสมุทัยสัจจะว่าสัตว์ทั้งหลายลงทิศหลงทางกันอยู่เนี่นะเพราะอะไรตัณหาก็เป็นเหตุของทุกมรรคก็เป็นเหตุของพันธิพา น, นใช่ไหมใช่ไม่ใช่มันเป็นเหตุเหมือนกันเนี่ยเอาเป็นเหตุเหมือนกันนี่แหละแต่ต้องอธิบายมรรคสัตว์อย่างเนี่ยหละเาเป็นเหตุของพระนธิพาญแล้วก็บอกตัณหาเป็นเหตุของทุกต้องเทียบเคียงกัน ต้องเทียบเคียงกันหเหตุสองเหตุเนี่ยเหตุหนึ่งให้ทุกเหตุหนึ่งนะพานิพานเนี่ยใช้ปัญญาวิจัยวิจัยจะได้รู้ความจริงที ว, ว่าเราประกอบเหตุของทุกมานานแล้วไม่เอาแล้วจะสลัดทิ้งเหตุของทุกแต่จะสร้างเหตุของการที่จะไปพระนิพานมีเข้าใจเลยทีนี้นี่มองเห็นตรงเนี้ยนะประการที่สามก็คือนิทัศนทโธหรือทัศนทโถเนี่ยอธิบายให้ตลอด ถ, ถึงนิโรธาสัจจะให้ได้มารกษ์เนี่ย ได้เห็นใจความชัดอมคสัจจาเนี้เป็นอุบายอุบายที่แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งนิโรธาสัจจาใช่ไหมถ้าถามว่าถ้าปฏิบัติตามมรรคสัจจาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะพบได้เห็นซึ่งนิโรธาสัจจาได้ถ้าเราไม่เดินตามมรรคสัจจาเราจะไม่มีโอกาสเห็นพระนิพพานไม่สามารถจะถึงพระนิพพานเป็นต้นได้แต่ถ้าปฏิบัติตามมรรคสัจอาศัยความสามารถในการที่ประกอบมรรคสัจอย่างต่อเนื่องที่เป็นโลกีญาน้อมหา นิโรธาสัจจะเป็นต้นในเซอจริงก็จะพบนิพพานแท้ที่พระองค์ก็ประสงค์ใจความไม่แทงตลอดถึงนิโรธาสัจจะด้วยอัดคาว่าทัศนะหรือนิทานนัดส่วนประการที่สี่อธิ ป, ปัจจะโถก็ต้องอธิบายให้ถึงทุกขสัจประสงค์เห็นใจความชาดลมารกษัตริย์นี้เป็นใหญ่ใหญ่มากเป็นอธิปไตายาใช่ไหมเป็นธรรมาธิปไตยโดยรวมใช่ไหมเป็นใหญ่เอาเป็นใหญ่ขนาดไหนระงับทุกทั้งปวงได้ กองุกจะดับได้ก็อาศัยการปฏิบัติตามมรรคสัจจ์ท่านก็เลยอุปมาเลยเหมือนโอสถหรือเหมือนมนต์ที่วิเศษที่จะระ ง, งับพิษหรือมิฉะนั้นกันก็บอกว่าเหมือนกับท่อทานน้าฝนที่ตกลงไปในดีแล้วอะยังพืชกล้าให้บริบูรณ์ให้บริบูรณ์ให้ปราศจากภัยคือภายการอดอาหารเป็นต้นเนี่ยมรรคสัจจ์นี้ก็ระ ง, งับทุกเนอะระ ง, งับชาติทุก ชราทุกพยาธิทุกมรณทุกขสโสกกาปรีเดวะทุกขโทมนาสสาและอุปาญาต์ฉะนั้นจึงเป็นอธิปตยะก็แปลว่าเป็นใหญ่สามารถระ ง, งับทุกได้ใช่ไหมเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะเดินออกจากทุกได้ระ ง, งับทุกได้ระ ง, งับพิษระ ง, งับหัวฝีเป็นต้นเหล่า น, นี้ได้นี่ท่านอธิบายในเรื่องของอัตของมากษัตริย์นี่ก็ถือว่า ย, ย่อยๆดจบเลยนะนี่ก็จบ อ่ต่อไปจะสวดมนต์กันนี่สามมงพอดีอิติปิโสภะข้าอรหังตัมมาคุโเวจจาจารานสัมปัน สุขะโโรกะวิถุอนุตตรภุริสัตถมสารทิสัสาวมนุสสานังพุทโธภะควะติสวัคาโตภะคะวะตา สันเทติโกอากาลิโกะเฮหิปาสิโกะอปานายโกปัจจตังเวทิตาโบวิญโยหิติสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ อุจปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจิตปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาติทังจัตตาริปุริสยกานิอัตถะปุคารเอสาบขาวะโตวากัสสปะอาหูเนยโยโยทากีเนยยอัญจริการานิโย มตุยารังปุญญต่างโลกาสติอาจจะต่อไปสงบสติอารมณ์กันเล็กน้อยน ะ, ะ, จะเจริญกุศลกันนะก็มานาัศสิการถึงพระธรรมคำสอนของพพุทธเจ้าเนะี่ยวันนี้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของอริยสัจ ซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้แทงตลอดแล้วได้เป็นพระอริยะเป็นสัจจะของพระถาคตและพระเจ้าก็ได้แทงตลอดสัจจะอันนี้แล้วแล้วก็ทรงประกาศทุกข์แล้วก็ทุกขสมุ ท, ทยัยทุกขเนรโรธทุกขะนิโรธค า, ามินีปฏิปทาฉะนั้นอริยาศาส์เกิดความจริงแท้อันประเสริฐที่ไม่แปรผันอันเนี้ย เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาสนทนามาไขาควรมาพิจารณาก้ยด้วยพระมหากราุณาธิคุณพระบริสุทธิที่คุณพระปัญญาคุณลําดับแรกก็คือพระบริสุทธิที่คุณที่พระบรมศาสดาทรงทําตนให้บริสุทธิ์หมดจดบจักรกิเลสโดยมีพระปัญญาคุณแล้วก็มีพระมหากราุณาธิคุณเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละพระองค์ก็ประกาศอริยสัจ ให้แกเราท่านทั้งหลายได้รู้ความจริงันประเสริฐว่าความจริงันประเสริฐนั้นการประกาศอริยสัจนี่โดยเฉพาะทุกสัจก็สมุทัยสัจ ก, ก็ประชุมอยู่ในกระแสขันของเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าโอ้ตอนเนี้ยทุกกสมุ ท, ทยัยมันกําลังเดินอยู่ตลอดเวลานะทีนี้เราถ้าเราไม่หานกล้าในการที่จะประกอบมรรคสัจ เพื่อจะน่วงให้ถึงนิโรธาสัจจะแล้วเนี่ยเราก็จะออกจากทุกขสัจจะซึ่งมีสมุทัยสัจจะเป็นปัจจัยไม่ได้เมื่อพิจารณาอย่างนี้จะได้เห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระบรมศาสดาเนี่ยผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้เป็นพระศาสดานท่านมีพระมหากรุณาที่คุณอย่างเราอย่างเหลือล้นพ้นประมาณการที่เราท่านทั้งหลายจะตอบแทนบุคุณของท่านนี่ ยากนักหนาที่จะตอบได้หมดได้สิน้นแต่การตอบแทนที่นับว่าดีที่สุดที่เรากาลังกระทำกันอยู่ก็คือว่าการเดินตามล่องลอยคำสอนของพระบรมศ า, ศาสดาโดยการที่ทำให้เรานั้นเนี่ยไม่ออกจากล่องลอยคำสอนที่ท่านกล่าวถึงเหมือนนกมูลไถลูกนกมูลไถไม่ออกจากก้อนขี้ไถ เราท่านทั้งหลายถ้าเราเชื่อพระบรมศาสดาตั้งศรัทธาไว้ในพระผู้มีพระภาคอย่างมั่นคงเราก็จะไม่เดินออกโดดออกจากมรรคสัตว์คือเดินออกจากสิกขาสามเดินออกจากศีและสิกขาสมาธิสิกขาและปัญญาสิกขาถ้าเวลาใดเราโดดออกก็เหมือนกับโดดออกจากสําเภาทองลําเนี้ยเราจะไม่ปลอดภัยแน่นอน แล้วเราก็ตายแล้วก็ประสบทุกข์เจียนตายแล้วต้องไปเจ็บไปปวดไปตายในสังสารวัตรอีกมากให้มาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่านั่นแหละตอบแทนพระคุณของพรุทธเจ้าด้วยการประกอบตนเองนั้นให้อยู่ในศึกขาสามไม่ให้ตกจากศึกขาสามเมื่อทำได้อย่างนี้ชื่อว่าได้ปฏิบัติบูบชาด้วยได้ตอบแทนพระคุณของพระพูมีพระภาคด้วย ถามว่าพระพุทธเจ้าทรงประสงค์สิ่งใดในตัวเราท่านทั้งหลายบอกว่าเป็นชาวพุทธมองหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามองพระพักพุทธเจ้าให้ออกว่าพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรในเราท่านทั้งหลายพระองค์มีความปราถนาให้สาวกของท่านท่านบอกว่ากิจอันใดที่พระศาสดาควรจะกระทําที่พึงกระทําต่อสาวกกิจอันนั้นน่ะพระศาสดากระทำแล้ว ดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายนุ่นคนไม้นุ่นเรือนว่างใช่นุ่นป่าไม้เธอจงไปเถอะให้ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทาให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งจะได้ไม่เสียใจในภายหลังท่านใช้คำว่าจะได้ไม่เสียใจในภายหลังฉะนั้นเมื่อพระบรมศาสดาเนี่ย กิจของท่านในะท่านทำเสร็จแล้วเหลือเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องระดมความเพียรและศรัทธาไม่มีระดมศรัทธาวิริยะไม่มีก็ระดมวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่มีไม่เกิดก็ระดมให้มีให้เกิดขึ้นเมื่อระดมขึ้นมาแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ถึงธรรมบรรลุธรรมแล้วก็ทำให้แจ้งดังกล่าวอย่างนี้ชื่อว่าเราทำกิจของการเป็นสาวก ของพุทธบริษัทได้เนะีเพราะพระบรมศาสดาท่านทํากิจบริบูรณ์เสร็จหมดแล้วนะกิจที่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวแต่เราท่านทั้งหลายประกอบกิจสองอย่างนะบางครั้งก็ประกอบกิจที่ไม่เป็นประโยชน์บางครั้งก็เป็นประโยชน์ถ้าเราน้อมคิดในลักษณะอย่างนี้ก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะทํากิจให้เป็นประโยชน์ให้สมาทานตั้งมั่นว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปใช่ไหม จกไม่ให้บาปอากุศลนั้นละธรรมันลามกไหลท่วมทับกระแสจิตจะตั้งมั่นในกุศลธรรมในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงอย่างไม่หวั่นไหวและจะเดินเข้าสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากสังสารวัฏ ต, ตามพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรงมุ่งหวังในเราท่านทั้งหลายพิจารณาในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของพระผู้มีภ า, าคเจ้าอย่างยิ่งใหญ่และ พิจารณาในลักษณะนี้ก็สร้างอัธยาศัยในการที่จะมุง่งในการที่จะทําตนถอนตนออกจากสังสารวัตรนี่ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ากระทําตนเองนั้นน่ยให้เป็นไปในการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติเพื่อทําตนเองให้ออกจากทุกข์ต่อไปก็ตั้งใจอุทิศ ส, ส่วนกุศลกัน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 รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจองอนุโมทนาเองเธอส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจองเป็นผู้ไม่มีเวร ยเป็นศจนถึงพระนเกษมก้าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุาธบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศแท่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้า ทำให้แจ้งโลกุตละทำก้าวในทันทีถ้าข้าพเจ้าผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัต่สงสารขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นเทศอันสมควรได้พบกัลยาณมิตรได้ฟังพระสัทธรรมได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม และไม่เข้าถึงฐานะแห่งความอาภาพาัพสิบแปดอย่างข้าพเจ้าพึงเว้นจากพึงในก า, า, ารามาคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมกาวคือการขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม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 พึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรบชาอุปสมบทแล้วรักศีลมีศีลส่งไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวกตัสรู้ได้พรผลกะทำให้แจ้งซึ่งอรหั ต, ตผลอันเลิศ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 ังะวังอะะติสากโตะวัตธมนมสะสุปฏิปันโนพระวัตโตสาวะกะสัมสัมพั สาธุสาธุสาธุโอ้บุญใหญ่เนาะบุญใหญ่จะต้มีการปังทำแสดงทำสาธยายทำบุญนี้ต้องต้องอุทิศต้องอุทิศให้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่เอากรไม่เอา้อ น, นีอนอน่มีไว้อันนี้ ไ, ไ, ได้ี่ใส่ใไครับหม ด, มหมดออง น, นอกนะอันนี้ นนก็ไปสุพรรณก็พอดีไปบอกออกมาพอดีที่แรกก็ที่แรกว่าจะพักที่นี่เอิก็มันจบวันนี้จบเร็วเนี่ยมันมีคนคนก็มีธุระ ใคไม่มีครผ่ีลาเท้าา